มนันธรรมดานี้โล่งๆอ่ะครับอดีตคนเขาหยุดทำงานกันวันธรรมดาก็สบายๆมีอะไรจะถามเลยมาจากที่ไหนกันออจีฮะไปวัดบุญวาสมาครับออ๋ มายังเทพเลยอาจารย์อยู่หรือเปล่าได้พบท่านหได้คุยกับท่านหป่าก็สอนปฏิบัติท่านสอนตอนไหนสอนตอนนเสร็จแล้วนเสร็จแล้วมีพาเยอะไหม้ิลูกแปิปลดสิบแปดนะแล้วฉันที่เดียวกันนะที่ี ลาลาพอฉันนะลมมันกลมมากยาโยงก็ขึ้นไปไม่ได้เลยแล้วเวลาฉันนี่ท่านฉันไปตักอาหารใส่บานเหมือนวัดหลวงป่าพงอ่ะใช่ครับใช้แล้วเอาผ้าไม่ได้เอาผ้านั่งเฉยๆแล้วอาหารมาแล้วก็ แล้วก็ตักใส่บาตรออที่หลวงปูง่สมัยหลวงปู่ชาท่านอยู่ท่านให้ไปตักเอาอาหารใส่บาตรเองจะได้จะได้ตักเท่าที่จำเป็นเท่าที่ต้องการแปดสิบแปดรูปนะก็มีเป็นบวชชั่วคราวหรือบวชนานแล้วไม่รู้ ไม่ทราบแต่ส่วนใหญ่ที่<อ>เคยอยู่ส่วนใหญ่จะบวชยาวอไม่ใช่บวชตามมีโครงการเช่นบวชถอยในหลงอะไรนี่พระชันชันเสร็จแล้วพระอาจารย์ค่อยคุยนะอืะมีญาติโยมไปเยอะไหมวันนี้ก็เรียก่อะพอสมคั บ, บถ้าจะนับถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งครับญาติโยมสนธนาธรรม หลังจากชันเสร็จก็จะคุยถึงสิบเอ็ดโมงขึ้นล้วช่วงบ่ายก็ไม่มีแล้วช่วงค่าก็สำหรับคนที่อยู่เฉพาะวันพะรนพะวันพระวันพระให้ปฏิบัติวันธรรมดาก็ไม่มีลงาทำวัดเย็นอะไร ถ, ถ้าเป็นที่วัดท่านจะทำวัดร่วมกันเฉพาะเข้าพรรษาครับอน อ, อกพรรษ า, าก็าคนต่างภาวนาครับ อนอกจากวันพระวันพระลงวะปะ ว, วันพระลงร่วมกั น, นกกอ่าลงร่วมกันอบรมพาครับอืมถ้ามียมภาวนาก็คืออบรมด้วยกันนะอืมเคยไปบวชมาแล้วปะังบวชอยู่ที่วัดคุณบวชตอนอยู่ปีสองปีส4งสิบสี่วันนะอ่าตอนปิดเทอมเลยปิดเทอมใหญ่ครับอืม กี่ปีมาแล้วสปีแล้วครับสปีแล้วจบจากที่ไหนบมาคครับลขกคนะอะไรแทย์ไทยแพทย์านนี้ทางานที่ไหนที่คลินิกที่เพชรรีครับเพชรนะที่นนมีวัดป่าไหมมีเป็นสำนักสงฆ์ครับอ่้าไปแถวป่ละกูอะครับป่าละกูอาจารย์มเตีนะ ไม่ใช่ครับอยู่ใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันเป็นลูกศิษย์ของบุกูละครับที่ลาดบุรีก็มีอาจารย์อะไรนะที่เคยอยู่กับหลวงปู่หลวงตามม า, าบวชชื่อ อ, อาจารย์สงบเคยไปไหมไปอยู่ห้าครั้งห้าครั้งมีพักเยอะไหมพันัน เจ็สิบกว่าครับเจ็สิบกว่าอก็นั่นดีแล้วก็ไปวัดเสือมาวัดเสือไม่จะผ่านไม่เคยเข้าไปเลยเลยเป็นไปแล้วอ็ปะปูหลวงตาจันนั่นก็เคยอยู่กับหลวงตามาบัวท่านสงบท่านยัน ท่านอาจาร์กับเราก็เคยอยู่ด้วยพร้อมกันอยู่ในที่บ้านตาดพร้อมกันท่านเข้าไปที่หลังเราเราออกก่อนจ้าอท่ากนกอยู่พร้อมกันแต่เราเข้าไปก่อนท่านสองสามปีมัแต่แล้ ว, ลวเวลาออกแล้วก็ออกมาก่อนท่านท่านออกมาทีหลัง อยู่กัลงตาได้พักหนึ่งลงตาท่านก็บอกให้พระ อ, ออกไปกันจะได้เปิดที่ให้คนใหม่เข้ามาอยู่ได้หลงตาท่านก็ไม่รับพระมากสมัยที่เราอยู่ท่านรับแค่สิบแปดสิบเก้าลูกเราก็ค่อยเพิ่มทีละลูกสองลูกตอนที่เราออกมามียี่สิบกว่า เพราะนไม่ต้องการให้มันมีจานวนมากเพราะที่มันจำกัดคนมากเดี๋ยวต้องสร้างกุฏิเพิ่มสร้างอะไรเพิ่มมันก็วุ่นวายท่านต้องการรักษาสถานที่ให้มันสงบให้มีเสียงอื่อก็ทึกคึกคมน้อยที่สุดในช่วงเั้าพรรษานี้จะไม่มีกา ง, งานก่อสร้าง ถ้าจะทาก็เฉพาะออกพรรษาแล้วก็ทําเฉพาะกิจเท่าที่จําเป็นอานจะเน้นเรื่องการภาวนาเพราะงานสําคัญที่สุดก็คือการภาวนางานของศาสนาอยู่ตรงนี้หัวใจของศาสนาอยู่ที่การภาวน า, อ ย, า, วนาอยู่ที่การปฏิบัติธรรมที่การจเจริญสติ อยู่ที่การนั่งสมาธิอยู่ที่การเจริญปัญญาเพราะนี่คือวิธีที่จะทำให้ดูดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่ปฏิบัติมันหลุดไม่ได้ฉั้นท่านจะไม่มีกิจอย่างอื่น อันนี้จะให้พระปฏิบัติกันอย่างเต็มที่แล้วท่านก็จะอบรมพระทุกห้าหกวันสี่ห้าวันก็เรียกพระมาประชุมอบรมแสดงธรรมการอบรมนี้ก็สำคัญเพราะจะได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติต่างๆได้กำลังใจได้แนวทาง ถ้าปฏิบัติไปเองโดยไม่ศึกษานี่มันจะเหมือนตาบอดคำทางแต่ถ้าได้ศึกษาจะได้เห็นแผนที่จะได้เห็นทิศทางว่าจะต้องดำเนินไปอย่างไรต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งการเรียนรู้และการปฏิบัติการเรียนรู้ก็รู้ทางก็พอ ไม่จำเป็นจะต้องรู้หมดเพระาะไต่ปิลกให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติแต่ละขั้นนั้นให้ทำอย่างไรเช่นศีลก็ให้รักษาพระวินัยศีลสองอยี่บเจ็ดข้อสมาธิก็ให้เจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่ง ทำกิจอะไรให้มีสติให้เฝ้าดูกิจนั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นทำอะไรก็ต้องระมัดระวังถ้าระมัดระวังมันก็จะมีการมีสติถ้าทำแบบไม่ระมัดระวังมันก็ทำแบบใจลอ ย, อยให้เวลาใครทำอะไรแบบไม่มีสติจะถูกเตือนเลย เพราะมันมันมกจะทำมาผิดพลาดมักจะมีเสียงดังถ้าทำอะไรด้วยสตินี่มันจะไม่มีเสียงดังทำอะไรทุกอย่างนี้ไม่ให้มีเสียงเช่นช้อนจานอะไรต่างนอกจากมันจาเป็นเช่นปัดกวาดมันก็มีเสียงกวาด น, นี่ก็เป็นอย่าง นี่คือหัวใจของศาสนาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้ามาก็มีการปฏิบัติมีการศึกษามีการปฏิบัติศึกษาก็ไม่ได้ศึกษาแบบท่องตำราศึกษาเพื่อให้รู้วิธีการปฏิบัติไม่ต้องท่องมนคุยกันมาบอกกันอวิธีปฏิบัติทำอย่างไร วิธีมีสติให้ทำอย่างไรวิธีนั่งสมาธิให้นั่งอย่างไรวิธีเจริญปัญญาให้เจริญอย่างไรสติก็คือดึงใจไว้อย่าให้มันลอยไปลอยมาอย่าให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทธโธไปก็ได้แล้ว อ, อยู่กับร่างกายไปก็ได้จดจ่อเฝ้าดู อิริยาบทการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วพอมีเวลาพอเวลามีเวลาว่างก็นั่งนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทธโธไปก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้านั้งเฉยๆพุทธโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตา รวมเข้าสู่ความสงบหรือดูลมหายใจเข้าออกก็ดูอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รูที่ปลายจมูกลมเข้าที่ปลายจมูกลมออกที่ปลายจมูกเป้าดูตรงนั้นดูที่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกให้อยู่จุดนั้นจุดเดียวให้มันนิ่งเวลาทำสมาธินี่เรต้องการให้มันนิ่ง ไม่ต้องการให้มันพิจารณาถ้าพิจารณามันก็จะเป็นปัญญาไปแต่เราไม่ต้องการปัญญาถ้ายังไม่มีสมาธินี้ปัญญาอย่างใช้งานไม่ได้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะมีกําลังถึงจะมีมีใจที่ใสที่สว่างที่จะเห็นความจริงของ ที่ปัญญาจะบอกให้เห็นได้ถ้าไม่มีสมาธิใจมันจะมืดจะทึบถ้าเป็นแว่นตาก็มัวเวลามองอะไรก็จะไม่เห็นตามความเป็นจริงเห็นไก่ก็จะคิดว่าเป็นเป็ดก็ได้เห็นแมวก็จะคิดว่าเป็นหมาก็ได้เพราะมันคล้ายกันแต่ถ้าเช็ดแว่นให้สใสสะอาด มองอะไรเห็นไก่ก็เป็นไก่เห็นเป็ดก็เป็นเป็ดเห็นแมวเห็นหมาก็เป็นแมวเป็นหมาไม่เห็นกับตาลปัตเนี่ยใจของพวกเราที่ไม่มีสมาธินี้เราจะเห็นกับตาลปัตดเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันจึงร้องห h o ร้องไห้กันอยู่เลยเพราะเดินเข้าหาความทุกข์เพราะคิดว่ามีเป็นความสุขคิดว่า มีสิ่งนั้นแล้วจะมีความสุขมีคนนั้นแล้วจะมีความสุขพอได้มาแล้วก็มาทุกข์กับเขาทุกข์เพราะเวลาเขาเปลี่ยนไปทุกข์เพราะเวลาเขาจากไปทุกข์เพราะเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกั น, นเราไม่เห็นว่าของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน บางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเราบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนี่แหละคือความทุกข์แต่เราคิดว่าเป็นความสุขอยากมีแฟนกันอยากมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้กันอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขแต่เดี๋ยวก็มาทุกข์กับแฟนใหม่ๆก็ดีกัน ยกรู้เรื่องพอนา น, นเข้าเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องนะเริ่มมีความเห็นแตกต่างกันเริ่มทะเลาะกันความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาหรือบางทีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเ้วต้องไปทำงานต่างจังหวัดเรื่อยๆเขาอยู่ต้องไปที่นั่นมาที่นี่ก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันเวลาจากกันแม้แต่เป็นชั่วข่าวก็เป็นทุกข์นะ แล้วถ้าจากกันอย่างถาวอนก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ของทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีมาก็มีไปได้มีเจริญก็มีเสื่อมมีดีก็มีไม่ดีเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆเราก็ไปหลงคิดว่าเป็นความสุขกัน ถึงแม้เราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ยังลงอยู่ดีเดี๋ยวไปเห็นอะไรก็ยังชอบอยู่ดีเห็นเงินก็ยังอยากได้อยู่ดีเห็นตำแหน่งก็ยังอยากได้อยู่ดีไม่คิดว่าเวลามันหมดไปทำยังไงเห็นได้ยินสรรเสริญก็ดีใจอยากให้เขาสรรเสริญพอเขาไม่สรรเสริญขึ้นมาก็เสียใจ ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็มีความสุขแต่พอไม่ได้เสพก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เนี่ยความหลงที่มันหลอกเราให้ไปคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นความสุขมันจะสงบตัวลงแล้วพอเราเห็นด้วยปัญญาใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอน ที่เราได้ยินได้ฟังว่ามันไม่เที่ยงของต่างๆที่เราไปหลงคิดว่ามันสุกนี่มันไม่เที่ยงเราก็เราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีวันจบสิน้นงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดไม่มีงานเลี้ยงไปตลอดชีวิตหลังนี้เป็นเหมือนงานเลี้ยงเราชอบหาจัดงานเลี้ยงกันด้วยกัน จัดงานสุขสรรคมันเกิดงานนุ่น ง, งานนี้จัดไปกี่งานเดี๋ยวมันก็หมดต้องคอยจัดอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ไปจัดงานวันตายวันสุดงานสุดท้ายก็คือวันตายงานตายงานวันตายแต่เจ้าภาพไม่ได้มาเจ้าภาพมาร่วมด้วยไม่ได้เจ้าภาพนอนอยู่ เราต้องพิจารณาความอนิจจังอยู่เรืเร่อยๆแล้วเราถึงจะเห็นว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์เวลามันดับเนี่ยมันทำให้เราทุกข์กันเวลามันหมดเวลาเงินหมดเนี่ยสุขหรือทุกข์อ่ะเวลาได้เงินมาโอ้ดีใจใช้กันแบบว่าเื่นมีอะไรอยากจะซื้อซื้อซื้อพอหมดแล้วเนี่ยําไงอยากจะซื้ออีกความอยากซื้อมันไม่หมดเลย ่เงกนนั้นหมดเนี่ยดีไม่ดีก็ไปทำให้เราต้องไปหาเงินแบบทางทุจริตซะอีกพอยังต้องใช้เงินยังอยากซื้อนู่นซื้อนี่อยู่เงินเดือนก็ไม่พอใช่มีคนมาเสนอเอาหมเอาเงินแบบนี้ไหมแต่ต้องผิดกฎหมายนะต้องผิดศีลธรรมนะเอาเพรามันอยากได้ อะไรอยากแล้วใจมันทรมานถ้ามันไม่ได้ดังใจอยากนี่มันจะหงุดหงิดน้ำคานใจมันคิดว่าถ้าได้ตามความอยากเราจะมีความสุขเพราะความอยากมันจะหยุดไปชั่วคราวแต่มันไม่หยุดไปอย่างถาวรเดี๋ยวพอทำตามความอยากอันนี้เสร็จเดี๋ยวมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นโผล่ขึ้นใหม่ล่ะอารมณ์หงุดหงิดก็โผล่ขึ้นมาใหม่ ไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงก็คือความอยากนี่แทนที่เราจะทำตามความอยากเราต้องฝืนมันต้องไม่ทำมันถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเหมือนคนอยากบุหรี่อยากสุราเนี่ยถ้าอยากเราอย่าไปดื่มอย่าไปสูบเดี๋ยวมันก็หมดกำลังเองแต่ถ้าอยากเราไปดื่มไปสูบมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อย นี่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่สามารถใช้ปัญญาหยุดความอยากได้แต่ถ้าเรามีสมาธิใจเรามันอิ่มใจมันสว่างเห็นความจริงเห็นว่าการกระทำตามความอยากนี้มันเป็นทุกข์อยู่เฉยๆสบายะตายไปเพราะอยากขึ้นมาอยู่ไม่อยู่ไม่ได้แนละ้วต้องดิ้นละ่ะดิ้นไปหาหนู่นมาดิ้นไปหานี่มา ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่อันนี้ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่สามารถใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราใช้ให้ให้เพราะเราไม่มีหนึ่งจะมองไม่เห็นเพราะเหมือนกับแว่นตาที่มันมัวมองอยังไงมันก็ยังเป็นไก่อยู่นะ ที่มันเป็นนกแต่เราก็มองเนี่ยมันก็เป็นไก่เนี่ยมองยังไงก็เห็นว่าเป็นสุขอยู่นั้ น, เ, น<ฮ>เงินทองนี่เห็นสุขด้วยทุกข์อ่ยังไม่เห็นว่ามันทุกข์นะแต่ที่ทุกวันนี้ทุกทุกทุกเกกับอะไรก็ทุกข์กับการหาเงินทองไม่ใช่นะเงินทองมันอยู่ที่เชื้มันมาล้มันลอยมาเองหรือเปล่าก็ต้องไปหากันหาเวลาหามันสุขด้วยมันทุกข์ ต้องมองไม่เห็นว่ามันทุกข์เองเหนือหน่อยเมื่อยแล้ววั น, น, นทํางานแทาเป็นแทบตายเสี่ยงเป็นเสียตายบนท้องถนนเพื่อให้ได้เงินมาถ้าเราเห็นว่าเงินเป็นทุกข์ไม่อยากได้เราก็ไม่ต้องไปทํางานไปบวชได้นคนบวยก็หาเงินกันหรือว่าใช่หไหมไม่ต้องใช้เงินใช่ไหอ ไม่ใช้เงินดีกว่าใช้เงินไหอไม่ต้องหาเงินนะคนไม่ใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินอะต้อ ไ, ไ, ไ, ไ, ไปหามันทําไมหามันต้องทุกข์ไหมเวลาหาเงินเนี่ยเอเราใช้หมดแล้วทุกข์ไหมคนใหญ่ก็จะเผื่ออนาคตอยากสบายนะอนาคตามันอยากมันอยากจะตายสบายเลย <laughs> สมัยนี่ก็ตายสบายแล้วเวลาตายก็าจับแช่เข้าห้องแอร์เลยไองนี่โรงศพนี่ติดเครื่องปรับอากาศด้วยตายอย่างสบายเนี่ยแหะอนาคตของเราไปห่วงอะไรอนาคตเราสบายอยู่แล้วมีโรงศพติดแอร์รอเราอยู่แล้วมีกครไปไม่ถึงจุดด้านนี้บ้างอะนั่นสต่เราไปกังลวลทำไม ทำให้ไม่กังวลปัจจุบันอนะไร น, นี้เราสุขเรืทกก่ทุกข์กันทุกข์กันเพราะกลัวอนาคตจะไม่ดีก็เลยยอมทุกข์ในปัจจุบันงเนลิ้นโ น, น่นหานู่นหานี่กันเพื่อไวา้อนาคตพอถึงอนาคตก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีให้เป็นให้เป็นของให้ให้คนอื่นไปนหมด <c oughs> มองอนาคตไม่เป็นมองไม่สุด มองแค่ตอนแก่ไม่มองถึงถึงตอนตายมองแค่แก่กับเจ็บกลัวเวลาแก่จะไม่มีเงินเลี้ยงเวลาเจ็บจะไม่มีเงินรักษาพยาบาลแต่ไม่มองไปถึงเวลาตายเวลาตายนี่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่ต้องมีอะไรอะใช่ไหมไม่ต้องใช้อะไรเ้ยงานศพใครจะจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่กลัวอะไร ยิ่งมากก็แค่ตายก็อยู่กับความทุกข์ทรมานทุกเพื่อหาหนูน่นหานี่แล้วก็ทุกเพื่อเพื่อดับความทุกข์อีกทีหนึ่งทำงานเหนื่อยก็ต้องไปเที่ยวผ่อนคลายเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากการไปทำงานพอเที่ยวมันก็ติดเที่ยวอีกพอไม่มีเงินเที่ยวหรือพอไปเที่ยวไม่ได้ก็ทุกข์อีก วิธีดับทุกข์ของพวกเรานี่มันไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกข์มันพลิกวิธีเพิ่มความทุกข์กันวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยวิธีดับทุกข์คือให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์แล้วอย่าไปยุ่งกับมันเห็นว่าเงินทองเป็นทุกข์อย่าไปใช้เงินทอง อยู่แบบไม่ต้องใช้เงินทองอยู่แบบสมัยโบราณปลูกผักปลูกข้าวเองมีกับข้าวมีผักก็ไปแลกข้าวมาก็อยู่ได้ลนะชาวนาชาวไร่สมัยก่อนเขาก็ไม่มีเงินมีทองก็ปลูกข้าวปลูกผักแลกเปลี่ยนกัน รถก็ไม่ต้องมีโทรศัพท์ก็ไม่ต้องมีทีวีก็ไม่ต้องมีพอสินค้าพวกนี้เข้าไปเข้าไปหมู่บ้านมันก็ทำให้หมู่บ้านวุ่นไปที่ต้องดิ้นรนหาเงินกันมาซื้อของต่างๆต้องมีเงินแล้วนี่คือความทุกข์ ของทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี่มันเป็นทุกข์ลาบคือเงินทองยศอยากจะได้ตำแหน่งกันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันก็ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเป็นได้มันก็ปลดได้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ลงไปทำราชการเพราะอายุหกสิบเขาก็ปลดได้เดี๋ยวยังไม่ทัน ยังไม่ทันถึง6กสิบทผิดเขาก็ปลดโยกย้ายได้หรือปฏิวัติได้ ม, ม, มีการเปลี่ยนแปลงมีการมีการดับมีการเสื่อมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเสื่อมมีดับหมดสารเสริญก็บางทีก็ไม่มีใครสารเสญนี่ก็มีพอใครเขาตำหนีหน่อยเขา นินนานินทาข้ า, าหารนินทาหน่อยก็โกรธเสียใจทุกข์อีกเขาชอบสรรเสริญอย่างเดียวทายสรรเสริญโอยหน้ายิ้มหน้าหน้าบานรูปเสียงกินรถถ้าได้เสพก็โอ้ยมีความสุขพอไม่ได้เสพก็ทุกข์เนี่ยไม่เห็นว่าความทุกข์อยู่กับอยู่การที่เราไปติดกับสิ่งเหล่านี้ มันเงินยาเสพติดนะยาเสพติดนี่ถ้าเราไม่เสพมันเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันใช่ไหแต่ถ้าเสพเราก็ต้องทุกข์เลยเวลามันไม่มีเสพเวลามไม่มีเงินซื้อนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันเพราะใจเราหิวใจเรามัวถ้าเรามาทำสมาธินี่ใจจะอิ่ม เราใจจะใสใจจะเห็นความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์ใจจะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆตอนนี้ใจมองไม่เห็นหรือถูกกิเลสความหลงไม่ไม่ให้เห็นปิดบังไม่ให้เห็นไม่ให้คิดไม่ให้คิดถึงความไม่เที่ยงให้คิดว่าต้องมีอยู่เรื่อยๆ เงินต้องมีใช้อยู่เรื่อยๆไม่เคยคิดว่าอาจจะมีวันหนึ่งที่อาจจะไม่มีเงินใช้ขึ้นมาคิดอยู่เรื่อยว่าแฟนต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งแฟนอาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้เนี่ยคืสิ่งที่เราไม่คิดกันเพราะโมหะความหลงมันไม่ให้เราคิดแต่ถ้าเราทำใจให้สงบนีความหลงมันจะถูก กดเอาไว้ถูกตัดกำลังลงไปมันก็จะทำให้เราคิดได้ทำให้เราเห็นได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเราเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้สั่งให้แฟนไม่จากเราไม่ได้ ถ้าเขาเป็นของเราเราต้องสั่งได้สิสั่งให้เขาอยู่กับเราอแต่เราสั่งเขาไม่ได้นี่คือเรื่องของปัญญาที่เราถึงแม้จะได้ยินแต่เราไม่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้สอนใจให้เห็นตามความเป็นจริงได้ฟังกี่รอบท่านก็สอนอันนี้จังทุกขังกน่าตายแต่ฟังก็ไม่เข้าใจ ไม่ถึงใจบางทีไยก็ยังเห็นว่ามันสุกอยู่นั่นเห็นเงินทีไลก็ยังสุกอยู่นั่นเะื่าวานนี้คนรองเงินกันเยอะแ ย, ยะวันหวยออกเนี่ยแล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์หมดหวังอีกแล้วต้องรอไปอีกสิบห้าวันก็ยังไม่เข็ดอีกก็ยังยังรออยู่ต่อ ยังเห็นว่ามันเป็นสุขเนี่ยยังเห็นว่ามีเงินแล้วไปเที่ยวได้ไปหาความสุขไปซื้อความสุขต่างๆได้อ่ามันเป็นความสุขเดี๋ยวๆพอเงินหมดก็ทุกข์อีกล่ยมองสั้นๆกันไม่มองยาวๆอมองยาวๆจะเห็นว่าอ่ามันทุกอย่างมันไม่เที่ยงได้มาแล้วก็หมดไปไปเที่ยวมาแล้ว ความสุขได้มาก็หมดไปแล้วกลับมาบ้านก็หายไปหมดแล้วอยากไปเที่ยวใหม่แล้วสิพอไม่ได้เที่ยวก็ทุกข์อีกแล้วนี่แหละทำไมเราจึงต้องมาปฏิบัติสมาธิกันก่อนทำไมเราต้องมาเจริญสติกันก่อนถ้าไม่มีสตินั่งไปมันก็คิดนูน่นคิดนี่หรือเห็นหนูน่นเห็นนี่เห็นบ้าบอคอแตกอะไรต่าง มันไม่สงบมันไม่อิ่มมันไม่สุขมันไม่ใสเราต้องการให้มันสงบมาให้มันสุขให้จิตมันใสให้มันมีความสุขมีความอิ่มเราจะได้มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าไม่มีสมาธิฟังกี่หนก็ไม่ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เลิกไม่ได้ ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกข์ก็ยังเอาอยู่เแฟนเป็นทุกข์ก็ยังเอาอยู่เงินเป็นทุกข์ก็ยังเอาอยู่การเที่ยวเป็นทุกข์ก็ยังเที่ยวกันอยู่เนี่ยมันก็ติดอยู่แค่นี้แหละชีวิตของคนเราจะมีอะไรสุรานาเลยเห็นไหม ก็เป็นการหาความสุขเป็นการบรรเทาความทุกข์ที่เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆกันได้บรรเทาความทุกข์ไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความสุขที่มาบรรเทาความทุกข์ก็หมดไปความทุกข์ใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกก็ไปหาความสุขใหม่หากันไปหากันมาอย่างนี้จนกว่าจะหาไม่ได้หาไม่ได้ทีนี้ก็ทุกข์ยาว เวลาแก่เวลาเจ็บนี่เป็นยงไงไปหาความสุขไม่ได้นะนี่ก็จะคิดก็โดดตึกตายกันเนอะพอแก่แล้วสมัยนี้พวกพวกประเทศที่เขาเจริญทางความสุขทางวัตถุนี่พอแก่แล้วนี้ไม่สามารถหาความสุขได้เขาก็เลยคิดหาวิธีข้าตัวตายกันลนะ่ะอย่างนี้จะไปรบกวนหมอให้ช่วย ฆ่าแล้วสิจะออกกฎหมายใหม่นะต่อไปหมอนี่จะฆ่าคนได้ใครอยากจะตายก็ให้หมอฉีดยาตายได้มันก็เหมือันก็ไม่ต่างกับนักโทษที่เขาที่เขาสั่งประหารชีวิตใช่ไหมนักโทษที่เขาสั่งประหารชีวิตเขาก็ใช้ยาฉีดอันนี้ไม่ได้ถูกเขาประหารชีวิตก็อยากจะให้เขาประหารชีวิต ก็อยู่ไปมันหาความสุขไม่ได้แก่แล้วมันจะไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้ร่างกายมันหมดสัมผัสภาพอหรือเป็นโรคพิกลพิการอย่างใดอย่างหนึ่งเอมันก็ไม่อยากจะอยู่หรืเจอโรคร้ายโรคมะเร็งต้องต้องมีความเจ็บปวดก่อนจะตายก็ไม่อยากจะเจอความเจ็บปวดนั่นก็ เอาเจ็บเดียวๆดีกว่าเจ็บด้วยยาพิษเพิ่งเจ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายฆ่าหรื อ, ปอเปล่าละา่ะนี่แต่ตัวเองไม่เก่งจริงไม่กล้าฆ่าตัวเองอก็เอาเปืนมากระสุนลูกเดียวยิงที่ขมับ ม, <อ><ป>มันจบไปหมอไปฆ่าเขาก็บาปสิ อยานี้ก็จะออกกฎหมายไงออกกฎหมายให้หมอฆ่าได้ไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังบาปอยู่ตามกฎแห่งกรรมมันก็ยังบาปอยู่นี่แหละคือทางสู่ความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะหลงกับการเดินไปในทางนี้ทางที่จะต้องจบด้วยความทุกข์กัน แต่ถ้าเรามาทางนี้ได้ยินได้ฟังทมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะเดินไปสู่ความความสุขกันความสุขอย่างถาวพรพอใจเราจะสงบใจเราจะไม่มีความอยากกับอะไรความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากแล้วพอไม่ได้ทำตามความอยากก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะจบชีวิตของตัวเอง แต่ถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่ทุกข์กับอะไรแก่ก็ไม่ทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์ใจมันสงบใจมันมีความสุขตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพอมาพบแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอ้ ยังมีทางเดินอีกทางหนึง่งยังมีความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆไม่ทําตามความอยากต่างๆพอเราไม่ทําตามความอยากเราก็เหมือนคนที่ไม่ติดยาเสพติดแล้วเอ อยากได้เงินเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้เงินก็สบายแล้วไม่ต้องไปดิ้นนุนหาเงินหาทาองก็อยากได้ตำแหน่งอยากเป็นใหญ่เป็นโตพอไม่มีความอยากแล้วก็สบายอยู่เฉยๆไม่ต้องเป็นใหญ่กับมีความสุขมากกว่าเป็นใหญ่ไม่ไรเป็นใหญ่นี่ปวดหัวเรื่องราวร้อยแปดพันประการเข้ามาหาเราหมดหาคนใหญ่คนเดียวคนนั้นก็อยากจะได้หนุนคนนั้นก็อยากได้เนี่ย ถ้าไม่ได้ก็นอนมันได้อีกอออทุกอย่างเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกแต่เราจะเห็นว่ามันทุกข์ไม่ทุกข์เราต้องมานั่งสมาธิกันมานั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบก็เหมือนแว่นตาที่เราเช็ดให้มันใสเราก็จะเห็นชัดเจนอ๋อทุกอย่างมันทุกข์จริงๆทุกเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยง ทุกพาะอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะอยู่มันจะไปเราไปสั่งมันไม่ได้ของบางอย่างอยากให้มันไปมันก็ไม่ไปอเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่อยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายสั่งมันไม่ได้เวลาไม่เวลาไม่ได้เจ็บก็สั่งไม่ให้มันไม่เจ็บก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเอาถึงเรียกว่านักตาเราสั่งมันไม่ได้ มันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นของเราเหมือนฝนฟ้าก่ะเราสั่งมันได้ไหมฝนมันจะตกมันก็ตกมันจะหยุดมันก็หยุดเราไปสั่งให้มันตกสั่งให้มันหยุดไม่ได้ทุกอย่างก็เหมือนกันเราไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ได้บางเวลาแต่บางเวลาก็ไม่ได้เวลาได้ก็ที่เราสั่งได้พอวันเวลาวันไหนเขาไม่ยอมไม่สั่งก็สั่งไม่ได้ ยังต้องพยายามมองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทาให้เราเป็นทุกข์กันเพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันให้แต่ความสุขกับเราอย่างเดียวไม่ได้มันดีคือดีมันก็มันก็สอกกลับแทนที่ให้ความสุขมันก็ให้ความทุกข์แทนถ้าเราเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะได้ไม่มีความอยากได้อะไร เมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะที่เรามาเกิดก็เพราะเรายังอยากอยากได้นูน่นอยากได้นี่ก็ต้องมีร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือหาของที่เราอยากได้อยากได้รูปก็ต้องมีตาอยากได้เสียงก็ต้องมีหูก็เลยกลับมามีร่างกายกัน พอมีร่างกายก็ต้องมาทุกกับร่างกายต้องเลี้ยงมันแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายคนที่ไม่มีความอยากก็เลยแก้ปัญหาได้หมดเลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทุกกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ไม่ต้องทุกกับการหาสิ่งต่างๆหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หมดไป ่อนที่ไม่มีความอยากจิตก็จะสงบนิ่งไม่หิวไม่ต้องการอะไรอยู่เฉยๆได้ไปตลอดเรานั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงเนี่ยนั่งจะนั่งได้ไหมเราไม่ต้องหกชั่วโมงเรา้องนั่งเฉยๆดูสักเวนั่งได้สักกี่ชั่วโมงได้กี่นาทีเนี่ยนั่งเฉยๆนั่งไม่สบายไม่ต้องขัดสมาธิไม่ต้องอะไรสมมุตินะ่ะไม่ใช่ตอนนี้หรอก้องกลับไปบ้านดูแล้วก็ไปหา ก้อีสบายสบายนั่งแต่ไม่ให้ดูอะไรไม่ให้ทําอะไรไม่ให้ฟังอะไรไม่ให้ดื่มอะไรนอกจากน้ําเปล่าไม่ให้ไปไหนนอกจากเข้าห้องน้ําให้อยู่ตรงนั้นเนะี่ยดูมันน่าจะสบายนะไม่ต้องทําอะไรดีกว่ไปทํางานแปดชั่วโมงนั่งเฉยๆกับกับทำน้ําทําไม่ได้ พความอยากมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาความอยากมันดันใจอยู่ด้วยอยากจะดูความอยากต้องนั่งเฉยๆดูเดี๋วก็เห็นเองแล้วก็อยากจะลุกแล้วเดี๋ยวอยากจะเดินนะดี๋ยอยากไปนูลล่นนะอยากจะตรงนีลล้ทํานู่นนะทํานี่นะทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องทําเลยนี่คือเรื่องของ การไปรอยู่ศึกษากับคู่บาอาจารย์จะได้ยินได้ฟังทมจะได้ยินได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติต้องปฏิบัติอะไรบ้างปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อกาจัดอะไรเพื่อกาจัดความอยากต่างๆตับใดที่ยังมีความอยากอยู่ตามนั้นยังมีความทุกข์อยู่ถ้าตับความอยากไปหมดแล้วก็ความทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีอีกต่อไป ไม่มีเมื่อไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะเอาอะไรมาทุกข์ด้วยที่ทุกข์กันทุกวันนี้มันไม่ไทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเลยนะก็เอาแค่นี้ก่อนนะจะอนุโมทนาให้พร อ, อันนี้มีใครพักที่สวนบ้างไหมแม่มชีมีเจ้าค่ ะ, ะมีกี่คนสองคนอ่า เก้าวันครับเ้วันเอีดีไหมเพิ่มาวันนี้ปกติก็หนมาที่วัดยานค่ะม า, มาครั้งนี้ไปเจอว่าอยู่ใกล้บ้านดูแล้วก็มีปฏิกิริยก็ไม่ต่างกันค่ะมาแล้วเอาตัวไปบ้านสะดวกอดาอยู่ที่นั่นดีคนน้อย ค, คนมากแลวกวนวายคน น, ยน้อยอยู่สงบเลย แม่ชีเก่งแนมะ่อยู่คนเดียวได้เออยู่มากี่เดือนแะล้วล่ะตั้งแต่ก่อนเข้าภาษาเลยค่ะ น, นี่คืองานนี่ก็หก เ, เดือนเจ็ดเดือนเข้าไปแนละ้วไม่กี่วันจะล้อมรัว้วเป็นรูปตัวยูแล้วก็อย่างจะล้อมหมดเลยครับประมาณสี่ร้ยกว่าเมตรทั้งหมดรวมแต่ถ้าเอารอบเลยเนี่ยประมาณห้าร้อยห้าเมตรห้ากว่าครับร้ครึ่งกิโลใช่ครับ จะล้อมหมดเลยครับฉพาะในเขตสวนะครับกาจายอ่าเป็นกำแพงเลยใช่ครับเพื่อจริงๆสถานที่ปลอดภัยครับแต่เป็น่ว่าให้มันเป็นสัดส่วนรู้สึกอ่เป็นส่วนตัวปฏิบัติมันก็จะดียิ่งขึ้นครับอาจาจะสร้างเป็นกำแพงเลยอ่าจะใช้เป็นโครงเหล็กครับแล้วก็อ่าเมทัลชีพอแแเลยครับจเอาแบบง่ายๆครับาากแพงหลายแสนเนี่ยอ่าประหยัดหน่อยประหยัดอมันตอกเม็ดได้ คอผมซื้อได้ถูกครับอาจารย์ผมก็เป็นโรงงานเป็นอ่ของน้องเขยของเอ๊ยน้องของพี่เขยครับก็เลยสอเม็ดไม่ขีดร้อยบาทครับสองค่าใช้จ่ายต่อต่อต่อเม็ดนี่รู้ไหมตกเทา่าไหร่ครับครั้งที่แล้วที่ทําไปรวมค่าแรงร้อยสี่สิบหกเมตรนี่ตกประมาณสี่หมื่นสี่มืนห้าครับอาจารย์อ๋อร้อยกว่าสี่หมื่นครัก็ร้อยก็สี่สิบบาทต่ อ, อ เมตรประมาณใช่สูงสูงสองเมตรพระอาจารย์ใช่แต่เราพูดถึงความยาวของกำแพงใช่แลระาคารยคราคาแพงร้อยหนึ่งก็สี่หมืนครับร้อยก็สี่มืนแต่ว่าแข็งแรงพระอาจารย์ว่าเป็นเหล็กเลยเป็นเหล็กเป็นอะไรต่อกสิบก็สี่พันด้านหนึ่งก็สี่ร้อยเมตรละสี่ร้อยใช่มสี่ร้อย สิบเมตรก็สี่พันร้อยเมตรก็สี่หมืคิดโดยคร่าวๆนะเอประมาณตกตกร้อยกว่าบาทครับอาจารย์ต่อเมตรเพราะว่ามันร้อยสี่สิบหกเมตรครับอาจารย์ที่ทําไปแล้วครับและอีกที่เหลือก็น่าจะอยู่ประมาณอีกสองร้อยสองร้อยกว่าเมตรนิดหน่อยอก็ก็ตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วครับของเตรียมสั่งแล้วครับเดี๋ยวอีกสองร้อยเมตรจริงๆเหมือประมาณ สามร้อยห้าสิบกวเมตรจะครบรอบครับแต่ว่าเอาแค่เป็นดูยูก่อนแล้วข้างหน้าเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะเอาเป็นคลึกเลยหรือว่าจะเอาเป็นโครงเหล็กอะไรเพราะข้างหน้ามันมันปลอดภัยอยู่แล้วเพราะมันอยู่ติดเ็ถนนนะไม่ติดถนนครับแต่มันติดที่ของเราเองคี้บอาจารย์แต่ที่จะกั้นเป็นที่ปฏิบัติธรรมจะใช้ประมาณหกเจ็ดไร่ครับอาจารย์ก็เลยเลยถ้ากั้นทั้งหมดไม่ไหวเราจะยึดสี่ไร่ยึดสี่ไร่ เดี๋ยวก็คงจะมีคนศรัทธาบริจาคให้ช่วยก็ใครสนใจก็ติดต่อกับคุณต่อได้นะใครอยากจะร่วมบมุญก็ทำตามพระอาจารย์ครับตามมีตามเกิดไม่ได้อยาก นนไม่มีความอยากให้ใครมาร่วมบุญคือว่าอันนี้ก็ไม่ได้เรียนไลน์เพียงแต่บอกคุณ น, นั่นเอง <c oughs> <c oughs> บอกได้บอกบอกก็เรียลไลนไม่เหมือนกันเรียลไลน์นี้ต้องเอาซองไปแจกเขาเนี้ยเรียกว่าเรียลลน์อย่างนี้เราคุยกันอเผือ่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คนที่เขาอยากจะทําบุญเขาก็จะได้มีเพราะมีคนชบอบบอกขอหมายเลขเบอร์ทําทําทีาท่ทเราไม่อยากจะรับทำนี้อเลยไม่ได้ตอบไป วันนี้ก็มีโอกาสนะใครอยากจะทำบุญกับผู้ปฏิบัติทำก็ทำได้มาฟังทำแล้วมันก็ต้องมีไปมีที่ไปปฏิบัติข้างบนนี้มันที่อยู่ของผู้ชาติของพระของผู้หญิงนี่คุณต่อเขาเมตตาเขามีที่เขาจัดแบ่งให้หกไร่นะเกินด้วยเขาไม่ได้นะปรัมาณสิบไร่ยยอยู่ในตัวเมืองพัทยาเลยแต่สงบมากครับนะ มันไม่ได้อยู่ในเขตแสงสีเสียงมันอยู่อีกด้านหนึ่งอยู่ออกฝากหนึ่งของถนนสุขุมวิทไม่ได้ภาคทะเลภากภาคอีกภางไปทางรถไฟใช่ก็อยู่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใี้ไ่มแล้ผู้หญิงไปไกลว่าแต่ว่าผู้ชายก็จะอยู่ฝั่งมุมไกลหอเล่อ๋อไม่ไม่แยกโซนกันนะ แต่เวลาทาวัดหรือทํากิจร่วมกันก็มาทำพ<า>ิธ า, า, าร า, ามาสวดมนต์มาฟังเทศ่แต่กลางวันก็คือเข้ามาเนี่ยก็มีเอ็พีสามแจากเป็นคนละเครื่องไปฟังเท่ของพาาะระ อ, อ, อ, อ า, าจารย์นะครับเพราะพระอาจารย์บอกว่าฟังเทศี่สําคัญมากเ อ, อระหว่างกลางวันเนี่ยคุณก็ฟังเท่แล้วปฏิบัติของตัวเองไปเลยนั่งจงกรมนั่งสบายพี่มาสวดมนต์ได้ด้วยกันก็ได้หรือจะเรื่องปฏิบัติของคุณก็ก็ได้ไม่วางครับ่วาอยากจะมาร่วม สวดมนต์ก็ได้อยากจะสวดคนเดียวหรือนั่งสมาธิคนเดียวก็ได้แล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรไม่คิดเลยครับาต้นทุนถูกมากครับค่าไฟทุกวันนี้ทั้งทั้งสวนเดือนละหกร7อ0เจ็อยบไม่มีต้นน้ำก็น้ำบอกก็บอกงี้เลยบอกอันนี้มีกี่กี่หลังนะที่อยู่ได้10สิบเหเจ้าค่ะสิบหลังของผู้หญิงของผู้ชายแล้วทั้งสอง อของผู้ชายเนี่ยตอนนี้จะทําเพิ่มอีกหนึ่งหลังก็เป็นสองแล้วค่ะขอผู้ชายสองของผู้หญิงสิบเจ้ค่ะผู้หญิงเนี่ยนะแล้วเมื่อวันก็มีขณะลูกสิทธิ์ของหนูง้อนค่ะที่มาฟังธรรมเมื่อวานเขามาจะขอนแก่นแล้วก็วันนี้มาซื้อเต็นที่ว้สาหรับนั่งสมาธิเจ้าค่ ะ, ะเขาก็เข้าไปแล้วเขาก็ถามว่าเวลานั่งสมาธิมียุงไหมอ่ามีเขาบอกว่ามีเจ้าค่ะเต็นแบบกรดเนี่ย่ีมีมุ้งกันยุงได้ค่ะอ่า แต่เวลานั่งสมาธิในศาลาเหมือแค่ฉีดพวกกอยอะไ ร, รนี้นก็นั่งสบา ย, บายไม่จำเปน็นต้องเพราะไม่ได้เยอะขนาดนี้มีพัดลมด้วยใช่ไหมรบกวนพัดลมได้<ะ>ก็ต้องต้องหาที่อย่างนี้ดีกว่าอยู่ในบ้านอยู่อะบ้านมันแับแคบแล้วคนมันเยอะของสิ่งรบกวนมันเยอะไปอยู่ถึงแม้ว่ามันไม่เป็นป่าเป็นสวนมันก็ยังดี ท้างน้กที่เราไปอยู่สวนก็สวนวัดช่องลมเนี่ยตอนต้นเราก็ปฏิบัติอยู่ในบ้านในเตบแถวแล้วบางวันเราก็ไปเถวชายทะเลไปนั่งอยู่แถวโขดหินเถวชายทะเลนั่งอยู่คนเดียวไปตรงหา ท, ที่ไม่มีคนเที่ยวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หาดใหญ่หาดเล็กไปทางสอนอเนยหาถวนั้นมันจะเงียบก็ไปอาบนั่งอยู่คนเดียว บาที่อยู่ในบ้านมันรู้สึกขอโหูมันรู้สึกมันถูกบีบนะอยากจะออกไปที่ ก, กว้างๆอะไรบางทีออกไปนั่งแถวชายทะเลเนี่ยแล้วพอก่อนจะบวชก็ได้ไปพบกับสวนวัดช่องลมก็อะไรไปขออยู่ที่นั่นประมาณเดือนนึ่งก็เป็นสวนมะพร้าวสวนมะม่วงเนี่ยะทั้งกับปลูกกระต๊อบอยู่ ล้วก็ไปบวชต่อบวชแล้วก็เลยได้ไปอยู่วัดป่าไปอยู่ที่วัดป่ามันตานี่เป็นป่าจริงๆก็อยู่มาเก้าพรรษาไม่ได้ไปไหนเลยเพราะมัน่ต้องมันไม่ต้องไปเที่โดงที่ไหนนะในวัดก็เป็นที่เท่ยโดงนะที่ก็น่ากลัวสมควรถ้าอยากจะเจอความกลัวตอนคืนมืดๆก็ออกมาเดินไม่ต้องฉายไฟดู แวอยู่ใกล้ครูบาจารย์ก็ดีมีคนคอยเตือนคอยสอนคอยบอกวิธีคอยชี้เป้าของปัญหาต่างๆที่จะต้องปฏิบัติก็มีความกลัวตายหนึ่งความกลัวเจ็บหนึ่งเป็นเป้าที่จะต้องผ่าทะลุให้ได้แล้วก็การมารลมอีกหนึ่งสุภาษิที่ปฏิบัติกันก็มี3มตัวใหญ่ๆนี้ กัวเจ็บทุกขเวทนาเนี่ยต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ให้มันเกิดให้มันดับของมันเองเราไม่ต้องไปดับมันไม่ต้องไปมันไม่ดับก็อยู่กับมันไปความตายก็ต้องไม่กลัวต้องยอมตายถ้ายอมตายแล้วก็สบายแล้วก็อาสุภาษ่ยพิจารณาอยู่เรื่อยมันจะได้ดับการอารมณ์ได้ เวลาเกิดการมาลบขึ้นมาพอนึกถึงอสุภะนี่มันก็หายกึกเลยผ่านสามตัวนี้ได้ก็สบายงานหนักงานายากๆผ่านไปลงานหนักๆผ่านไ ป, ๆๆนไปแล้วทีนี้งานเหลืองานละเอียดนี่ตอนนี้หลังจากนั้นก็ไปดูกิเลสในจิตแล้วเนี่ยดูจิตได้กิเลสก็ยังมีอยู่ยังไม่หมดหมด มันเคยเกาะอยู่ที่ร่างกายเราก็ทำลายมันไปหมดแล้วมันก็เลยถอยไปเกาะอยู่ในจิตก็ลองเข้าไปขุดคุ้ยค้นหามันในจิตก็มีการถือเนื้อ ย, ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ยังมีตัวเราของเราอยู่อลองทำดเูเอาในกายนี้ให้ได้ก่อนเอาในกายนี้ให้ได้ก่อน อไปโกนหัวให้ได้ก่อนไม่ต้องไปถึงจิตหรอกหัวหัวยังโกนไม่ได้เลยเหรือว่าพอาจารย์น่าจะยากนะมามาแล้วยังไม่ได้หรือวรือว่าช่วยกันช่วยกันเป็นของส่วนรวมแล้มีถ่ายทอดสดทุกวันเนี่ยทาง Facebook กับ YouTube ที่วัระอาจารย์ตันท่านมีถ่ายทอดสดหรือยังไม่ไม่มีไ ม, ไม่ได้ระอะคือสมผมทำป้ายแล้วครับอาจารย์เป็นป้ายอักขริกร์ขนาดนี้ครับเราจะแปะไว้ตรงนั้นนะครับปอดีว่าวันนี้ไม่ได้ไปเอามาแต่พรุ่งนี้จะเอามาแล้วจะเขียนไว้แล้วว่ามีถ่ายทอดสดทางเ facebook มือมีให้เขาไปอ่าไปเข้าไปดูได้จะได้เห็นเลยครับมามีประสานกันเลยมีใครอยากจะถามอะไรไหม ถ้าไม่มีก็ให้ทางบ้านถามเข้ามาครับมีคำถามจะผู้ฝากถามนะครับการปฏิบัติเอาจิตดูลมหายใจไปเรื่อยๆจนจิตนิ่งแล้วดูการเกิดดับของจิตจิตไปจับอะไรก็ดินกลับมาทำอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนจิตเหนื่อยที่จะไปถูกสติบินกลับมาทำอยู่แค่นี้เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่า คือเป้าหมายของเราก็คือต้องการให้จิตนิ่งสงบไม่ให้คิดอะไรมันจะนิ่งสงบก็ต้องให้มันอยู่จุดเดียวดูลมก็ดูลมอย่างเดียวพุดโธก็พุดโธอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งมันจะตกหลุมตกบ่อตกภวังเ็าเรียกตกภวังมันจะวุบลงไปแล้วมันก็จะนิ่งสงบมันก็จะเฉยแล้วมันก็จะสบายนั่นคือเป้าหมายอันแรกของการ ปฏิบัติคือสมาธิก็คือความสงบตอนนั้นเรายังไม่ต้องการเจริญปัญญายังไม่ต้องพิจารณาเกิดดับเกิดดับหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรทั้งนั้นตอนนั้นต้องการให้มันนิ่งให้มันอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขเพราะเวลาจิตสงบนี้มันจะมีความสุขมากมันจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเนี่ยเราต้องการตัวนั้นต้องการตัวความสงบตัวความว่าง ตัวความอุเบกขาคือเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอเรารู้แล้วว่าความสุขของใจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ความไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอออกจากความสงบมากิเลสมันก็จะดึงให้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงตอนนั้นล่ะเราต้องใช้ปัญญาดึงใจกลับมาไม่ให้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงพอจะเปรักอะไรก็บอกไม่เที่ยงนะ ได้มาแล้วเดี๋ยวเขาไปนะมันก็จะหยุดรักถ้าไปชังอะไรก็บอกว่าห้ามเขาไม่ได้นะอยากจะให้เขาไปเขาก็ไม่ไปนะเขาจะอยู่ก็ต้องอยู่กับเขาเราเป็นอนัตตาถ้ารักก็ใช้อ น, นิจจังถ้าชังก็ใช้อนัตตาเช่นเจอเจอความเจ็บก็อยากให้มันหายมันก็ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้ ถ้าไปคิดถึงความตายก็กลัวก็ต้องพิจารณาว่า้ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราอนัตตาเหมือนกันเป็นดินน้ําลมไฟมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตอนนั้นถึงเวลาที่จะใช้ปัญญาเพื่อที่จะมาดึงใจให้มาเฉยๆกับทุกอย่างคิดถึงความตายก็เฉยคิดถึงของที่รักก็เฉยคิดถึงของที่ช่างก็เฉย คิดถึงของที่เราไปหลงก็เฉยไม่ไปห่วงใยไม่ไปกังวลทั้งที่เราไปหลงว่าสมบัตินั่นเป็นของเราบ้านนั่นเป็นของเราที่เป็นของเราความจริงมันไม่ได้เป็นของเราเร้วเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้เนี่ยคือปัญญาต้องหัดใช้มาคอยดึงใจให้กลับไปอยู่ที่อุเบกขาเพราะอุเบกขานี่ดีที่สุด แต่เราจะเข้าเบิกขาด้วยการเข้าสมาธิก็เป็นเหมือนกับการหนีปัญหาเพราะเรายังต้องออกมาเจอกับคนเจอกับเรื่องราวต่างๆแต่เราต้องการเจอกับเหตุการณ์ต่างๆโดยที่ใจเราสงบเหมือนกับอยู่ในสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอนใจเวลาเห็นชอบอะไรก็บอกอย่าชอบนะเป็นทุกข์นะได้มาแล้วเดี๋ยวเขาจากเราไป เห็นคนชอบหน้าตาสวยงามรูปล่ออยากจะได้มาเป็นแฟนนี่เดี๋ยวอยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวเขาก็ไปมีคนใหม่น ะ, ะคิดอย่างนี้ก็จะได้ไม่เอาอเจออะไรช่างก็อย่าไปอยากให้มันหายไปเพราะทางเขาไม่ได้เจอคนที่เราเกลียดอยากจะให้เขาไปเขาก็ไม่ไปก็ต้องทำใจว่าเขาเขาก็เป็นอย่างนี้เราจะไปยุ่งกับเขาทำไมอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ทุกข์กับเขาแล้ว ที่เราทุกเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเรื่ง น, นี้เราก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจให้อยู่เป็นกลางอยู่ให้อยู่เฉยๆให้เป็นอุเบกขาแต่ถ้าเรายังไม่มีอุเบกขาเราก็จะไม่รู้ว่าการเป็นอุเบกขานี้เป็นยังไงเป็นมีความสุขอย่างไรเราก็จะไม่มีวันที่จะอยู่อุเบกขาเห็นอะไรรักก็วิ่งเข้าหาเลยเห็นอะไรชังก็วิ่งหนีเลยโดดหนีเลย เจออะไรกลัวก็กระโดดเลยยิ่งพอหนีมันก็ทุกข์วิ่งเข้าหามันก็ทุกข์ถ้าอยู่เฉยๆแล้วไม่ทุกข์มันก็เหมือนกับอยู่ในสมาธิสบายสงบแล้วมันก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ข้อที่สองและถ้าฟุงา้งซ่านดูแค่ขันห้าได้ไหมและจะสามารถหลุดพ้นได้ไหม ไม่ได้เราก็เวลาทําจิตให้สงบมันก็ต้องมีอารมณ์เดียวพุโทโธไปแล้วดูลมหายใจไปอย่างเดียวไ ป, ไปดูขันห้องขันห้าทำไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาดูขันห้าเวลาทําใจให้สงบนี้ต้องดูที่กรรมฐานสี่สิบเนี่ยมีอยู่สี่สิบชนิดจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้เอาทั้งสี่สิบชนิดพุดทธานุสติกับพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดอิติปิโสไป ธรรมานุสติก็สวดสวาขาโตัวไปนึรธ ร, รมโมไปอนาปนาสติก็เริ่มลมหายใจเข้าออกไปถ้ามรณานุสติก็นึกถึงความตายเดี๋ยวก็ตายแล้วจะไปวุ่นวายกับอะไรตายตายตา ย, ตายท่องไปอย่างนี้มันก็จะนิ่งจะสงบได้คำ ถ, ถามจากคุณหนูนี หนูมีเรื่องทุกข์ใจเหลือเกินอยากขอคําแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะพ่อหนูเพิ่งเสียไปกลางเดือนที่แล้วอายุ80ปีรู้สึกเสียใจมากน่าจากตอนที่ท่านยังอยู่แม้หนูจะเป็นคนดูแลเรื่องการกินพามสะอาด<ม>แต่หนูไม่เคยดูแลด้านจิตใจท่านเลยเคยดูดว่าท่านหลายต่อหลายครั้ง เวลาท่านทำเลหรือท่านทำอะไรไม่ถูกใจหนูเป็นอย่างนี้เป็นเวลาหลายปีจนมาวันนี้ท่านจากไปหนูรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวรู้สึกผิดอยู่ในใจตลอดมาหนูควรวางใจหรือควรทำอย่างไรครับเพื่อให้ความรู้สึกหนูดีขึ้นกว่านี้ค่ะก็คิดว่ามันเป็นอดีตไปแล้วเป็นเหมือนความฝันเหมือนเมื่อเกินี้เราฝันร้ายฝันว่าไปฆ่าคนนน้นว่าไปทำร้ายใคร พอตือนขึ้นมามันก็ผ่านไปแล้วงั้นเหตุการณ์ต่า ง, างๆที่มันเป็นอดีตมันก็เหมือนความฝันอย่าไปคิดเอามาคิดให้เสียเวลามันเราไม่สามารถไปแก้อดีตได้ทำอะไรไว้ถ้ามันจะส่งผลมันก็ต้องส่งผลของมันไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่เราควรจะทำในปัจจุบันก็คือทำใจให้สงบอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับความฝัน มันไม่ได้อะไรมันหลอกเป็นของหลอกของปลอมไปแนละ้ของจริงอยู่ในขณะนี้นเดี๋ยวนี้ใจเราสุขหรือทุกข์แล้วเราทุกข์ก็เราต้องหยุดมันหยุดมันด้วยวิธีง่ายๆก็คืออย่าไปคิดถึงอดีตเราทุกข์กับอดีตก็อย่าไปคิดถึงมันดึงใจกลับมาให้อยู่ในปัจจุบันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาจะคิดถึงอดีตก็พุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะคิดอดีตไม่ได้ คามไม่คิดอดีตอารมณ์ที่เกี่ยวกับอดีตมันก็จะหายไปหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็บอกมันผ่านไปแล้วมันเป็นเหมือนความฝันแล้วเอากลับมาไม่ได้เอาไปเปลี่ยนมันไม่ได้คิดไปก็ทุกไปเปล่ า, ลาคิดไปทำไมเหมือนกับเอาค้อนมาทุบศรีรษะอยู่เฉยๆก็เอาค้อนมาทุบศรีรษะทุบมันไปทำไมทุบแล้วไปเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่ามันก็เปลี่ยนไม่ได้ ก็เอาอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะปัจจุบันสจต่อไปเราก็อย่าทำแบบนั้นอีกถ้าต่อไปยังมีแม่ต้องเลี้ยงต่อก็เ อ, เอาเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่ า, าต่อไปนี้เราจะต้องไม่ทำเหมือนกับที่เราทำกับพ่อนะหรือจะทำกับใครก็ได้ไ ม, ไม่ต้องพ่ออะไรอาจจะมีคนอื่นที่มีบุญคุณกับเราแล้วเราไปช่วยเหลือเขาแล้วเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปว่าเขา เรามาช่วยเขาเรามาให้ความสุขกับเขาเราไม่ใช่มาให้ความทุกข์กับเขานี่ก็ใช้ปัญญาคืออดีตเราไปเปลี่ยนไม่ได้มันแต่เราเปลี่ยนปัจจุบันได้ปัจจุบันนี่เราสามารถเปลี่ยนวิธีการดำเนินของเราได้ถ้าเราเห็นว่าอดีตเป็นการดำเนินที่ผิดพลาดปัจจุบันเราก็อย่าไปเดินทางนั้นต่อเลิกคำถามจากคุณศรา เป็นคารวาถือสิน5้าในชีวิตต้องทำเรื่องธุระเรื่องงานเรื่องครอบครัวตลอดทั้งวันมีเวลาปฏิบัติสมาธิแค่ช่วงเวลาก่อนจะนอนเช่นนี้จะมีอุบายอย่างไรให้จิตสงบได้ถึงอัปปนาสมาธิโดยเร็วครับ อ, อ๋อไม่มีทางหรอกขณะคนบวชกันยังไม่ได้เลยการจะให้จิตเข้าอัปปนาได้นี้ต้องมีสติอย่างต่อนเนื่องตลอดวันไม่คิดเรื่องอะไรให้อยู่กับพุโทโธเรื่องเดียว จะอยู่กับพุโทโธเรื่องเดียวได้ก็ต้องต้องไม่ทํางานไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครแล้วก็ต้องบังคับตัวเองให้อยู่กับพุโทโธได้อย่าไปคิดว่ามาบวชแล้วมันจะอยู่กับพุโทโธโดยอัตโนมัติถามแม่ชีนี่มาอยู่กี่เดือนแนละ้วมันอยู่พุโทโธมันยังอยู่กับเราอยู่เปล่าเดี๋ยวมันก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่ไปอยู่นั่นะชอบไปหาเรื่องด้วยพุโทโธของดีๆกับแม่เอากันชอบไปหาเศษขยะมาใส่ใจ ทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจเหม็นทําให้ใจวุ่นวายไปหมดพยายามพุโทโธพุโทโธไปถ้ามีสติมากมันก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแต่จะรวมเป็นอัปปนาน่ิมันต้องแบบทั้งวันเลยต้องพุโทโธทั้งวันเลยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องไม่ต้องคิดถึงงานไม่ต้องคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีแต่เรื่องเฉพาะตัวเฉพาะกิจเท่านั้นเอง เช่นเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงทองอาบน้ำอาบท่าละแปรงหน้าแปรงฟันอะไรเท่านี้เองก็ไม่ต้องใช้ความคิดทำไปก็พุโทโธไปได้อย่างนั้นน่ะแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะรวมได้เป็นอัปปนาได้คำถามจากคุณทวิชาเพื่อนที่ทำงานเขาบอกว่าถ้ามีคนชื่อนี้โทรเข้ามาหาให้บอกว่าให้บอกเขาว่าไม่อยู่หนูก็บอกเขาว่าถ้าคนนี้ชื่อมา ถ้าคนชื่อนี้โทรมาถ้าส่งสัญญาณให้เขาออกไปก่อนแล้วถึงบอกว่าไม่อยู่หรือพืออกไปถือว่าหนูผิดศีลสีหรือเปล่าคะก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนไงเราก็บอกเขาไม่อยู่แล้วก็อาจจะว่าเขาไม่อยู่ในห้องนี้แต่เขาอยู่ในห้องหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วคาถามจากคุณเลดสเหมือนมีพระมีคนก็มาถามพระว่าเ อ, อ่อเห็นคนนั้นวิ่งมาห่ือเปล่า พระเขาก็เดินขยับไปที่แบบไม่เห็นตรงที่เขายืนตรงนี้ไม่เห็นแล้วแ ต, ต่ตรงที่เขายืนเมื่อกี้นี้เขาเห็นอย่างนี้วิวาโกหกก็เปล่าตรงที่ตรงที่เขายืนใหม่ไม่เห็นแล้วเนี่ยตั้งปัจจุบันนี้ไม่เห็นแล้วแต่ตรงนี้อดีตมันเห็นจะบอกไม่เห็นก็ไม่ได้ <c oughs> ก็เลยเดินไปอีกสองก้าวบอกไม่เห็น ผมมีข้อสงสัยว่าบริกรรมพุทโธจะต้องบริการมพุทโธเมื่อหายใจเข้าและบริกรมททรมโธเมื่อลมหายใจออกหรือให้บริกรรพุทโธไปได้เลยโดยไม่ต้องดูลมหายใจครับก็เราไม่ได้พูดถึงลมหายใจสักที่รเอาไปมาจากไหนไม่รู้ก็หไหวพุทโธอย่างเดียวอพุทโธไปอย่างเดียวทั้งวันไอ้อที่เขาพุทโธเข้าพุทหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้เ้านั่งดูลมก็ถึงพุทเข้าโทออกแต่เวลาทํา ภารกิจทำภารกิจอะไรต่างๆก็พุโทโธไปกับภารกิจนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมคําถามจากคุณสิลินอ้อนเหตุของความทุกข์คือความอยากเมื่อเกิดความอยากขึ้นจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรคะก็พุโทโธไงพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราอยากเช่นอยากกาแฟแล้วก็แทนที่จะคิดกาแฟกาแฟกาแฟแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวก็ลืมกาแฟพอลืมกาแฟความอยากกาแฟมันก็หายไปคำถามจากคุณซินีนาศครูที่ได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการติวสอนหนังสือสอบโอนเ็เป็นเงินรายชั่วโมงกับครูที่อาสาตั้งใจติวสอนให้กับนักเรียนแทนครูที่จะมาจ้างสอนด้วยความตั้งใจครูประเภทไหนที่จะได้บุญมากกว่าครั้คะครูที่ไม่รับเงินเนี่ย ถ้าไม่รับเงินรับทองก็เป็นวิทยาทานเหมือนกับเราเอาเงินให้คนอื่นนี่แทนที่เราจะให้เงินเขาเราก็ให้ความรู้เขาแทนก็เป็นเหมือนกับเป็นการทําบุญเหมือนกันบุญมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือวัตถุทานเช่นเราถวายเงินทองใส่บาตรสร้างกุฏิอะไรอย่างนี้เรียกว่าวัตถุทานเราให้วัตถุสิ่งของ วิทยาทานเราก็ให้ความรู้เช่นติวเด็กสอนเด็กวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่คิดตังก็เรียกว่าเป็นเป็นวิทยาทานแล้วถ้าเรามีธรรมะเราก็ให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็เป็นธรรมทานอีกการนี้เขาเรียกว่าให้อภัยท า, านคือไม่ถือโทษโกรธเคืองหรือว่าถ้าเขาเป็นหนี้เราก็ยกหนี้ไป เอาภัยนี่ให้เขาไงเอาภัยทาน เ, าเล็กๆคงพอได้อะค่ะทำไมล่ะใหญ่ๆว่ามันก็ไม่ได้ก็ยังดึงไว้ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีดเขาไม่จ่ายเราอยู่ดีถ้าเขาไม่จ่ายแล้วเราอยากได้เราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้แล้วยกให้มันไปก็หมดเรื่องนี้จบจบสบายกว่าอามันก็ไม่ได้อยู่ดี อ, อไม่ได้แบบทุกข์ก็ไม่ได้แบบสุขจเอาอย่างไรดีกว่าไม่ได้แบบ ก็อภัยให้เขาเอา ย, กยกโทษให้เขายกหนี้ให้เขาไปไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นหนี้กันก็เหมือนกันใครดา่าเราแล้วก็ให้อภัยเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองพอเราเอภัยเขาเราก็สบายเราก็ไม่โกรธ ถ, ถ้าเราไม่ให้อภัยเราก็จะโกรธอยู่านั้นอ่ะอีหา น, นู่น <laughs> นานี่ยอะนะก็มีอยู่สี่อย่างทานอยู่สี่ชนิด แต่อภัยทานนี้เราไม่รู้ว่าเป็นทานจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ให้อะไรหรือให้ก็ไม่รู้ตตแต่วิทยาทานนี่มันให้ความรู้ธรรมทานให้ธรรมะวัตถุทานให้วัตถุตอาภัยนี่มันให้อภัยอาภัยนี่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งของมันไม่ได้เป็นอะไรแต่เราจะเรียกว่าเป็นการให้ก็ได้เพราะมันผลก็ได้บุญเหมือนกันคือได้ความสุขใจ พอใครเขาเอาหุ่นศิกรรมให้อภัยกันแทนที่จะเป็นศัตรูกันมาเป็นมิตรกันดีกว่าพอาเป็นมิตรแล้วก็รู้สึกสบายใจคำ ถ, ถามจากคุณพิมพ์คําอธิษฐานจิตที่ถูกควรเวลาขอบพรจากพระควรอธิษฐานขออะไรได้บ้างคะที่ง่ายๆจําง่ายๆบางทีเห็นคนอธิษฐานนานมากคะ่ะอการอธิษฐานนี้ไม่ได้ขอให้ ขอผลให้ขอเหตุเข้าใจไหมผลนี่ขอไม่ได้เช่นขอให้รวยขอให้ได้แฟนดีขอให้ได้งานดีๆได้ลูกดีๆนี่ขอไม่ได้เราขอที่เหตุได้อยู่คือขอให้เราทำความดีขอให้เรารักษาศีลขอให้เราภาวนาอย่างเงี้ยขอได้แล้วผลดีก็จะตามมาเองเพราะว่าการทา ความดีมันก็จะทำให้เรามีความสุขใจเออนเราอย่าไปขอที่ผลเพราะผลไม่เกิดจากการขอผลมันเกิดจากเหตุคือการกระทำอย่างนั้นขอให้เราอธิษฐานขอที่เหตุว่ต่อไปนี้เช่นวันนี้มาทำบุญเวลาพระจะให้พรก็บอกว่าขอให้ได้ทำบุญอย่างนี้ทุกวันนะอออย่างเงี้อยอันนี้ทำได้พอเราขอแล้วก็แสดงว่าเราตั้งใจจะทำละต่อไปนี้เราจะทำบุญทุกวัน ละ บ, บาทสองบาทก็ทําไปหาก็ปลูกหางก็ป๋องอะไรมาสักใบหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาเงินเสศษเงินเงินที่เราเหลือมาจากไปข้างนอกกลับมามีเศษเงินก็ใส่ก็ใส่ไปในกระป๋องวันละบาทสองบาทแล้วแต่เดี๋ยวเดือนหนึ่งมันก็ได้เยอะแล้วพอเวลาเราไปจะไปทําบุญที่วัดเราก็มีเงินไปทําบุญแต่ถ้าเราไม่ทําเลยพอถึงเวลาจะไปวัดเออไม่มีเงินะ ว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นหมดนะขอให้เราทำที่เหตุขอที่เหตุศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้ขอที่ผลไม่ได้ขอให้เจริญขอให้อย่างที่พระอวยพรให้ในความจริงก็ให้ไม่ได้อยู่ดีแต่ญาติโยมอยากจะได้ก็เลยต้องให้ขอให้เจริญด้วยอายุวันโนสุขขังพลังสาธุกันใหญ่แล้วมันเจริญไม่มล่ะ อุทิศนั่นอีกเรื่องอุทิศคือส่งบุญของเราให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเช่นเราวันนี้ทําบุญแล้วบุญส่วนหนึ่งนี้เราจะอุทิศให้กับคนนั้นคนนี้คือแบ่งให้เขาไปนี่เรียกว่าอุทิศเนี่ยเราไม่หรือไม่ได้อะไรเลยเหรอคะอาจารย์ที่ป้าจาตรวดวให้สาธุสาธุเลยเนี่ยได้หรือเปล่าเหมือนกันก็มั้งป่านนี้ก็ท้าได้ก็ป่านนี้ก็รวยกันไปหมดแล้วนะครับแล้วถ้างั้นจะสวดทําไมครับ พ่าไม่สวยก็โดนโยมด่าก็เลยต้องสวดหาว่าพระนี้เ่ไม่ให้พรบางทีคนมาทําบุญแล้วยังไม่ให้พรสักทีก็ไม่กลับบ้านไม่ได้สัทีนั่งรออยู่นั่นอันยิงให้พรไม่อจะได้ให้ดวงกลับบ้านเข้าใจปะอันยิ่งพรมันเกิดจากการกระทํามันไม่ได้เกิดจากการที่พระมาสวดให้เข้าใจี่ยคุณทําบุญเนี่ยคนเป็นการสร้างพรละ ผลนี่ก็คือความเจริญที่เกิดจากการทำความดีเป็นพรนะงั้นไม่ต้องให้พรหรอกพูดตามความจริงไม่ต้องให้พรเพราะให้ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ให้อะไรแต่ที่ภาคส่วนนี่มันไม่ได้เป็นพรมันเป็นคำสอนท่านสอนเหตุสอนผลว่าถ้าคุณทำบุญทำทานคุณมีสัมมาคารวะชีวิตของคุณก็จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละ ท่านสอนลองไปอ่านคาแปรดูเลยคาแปลของบวชบวชบวสัพพีเนี่ยเป็ น, ปนคําสอนว่าเหตุที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้าก็คือการทำความดีเช่นการทำบุญทาทานการมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะทำให้ผู้ที่ทำนุสสิงเหล่านี้จเจริญด้วยอายุวั น, นะสุขภะละ ประเด็นหมายความว่าพระจะบอกว่าขอให้คุณจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาร ะ, ระโดยที่คุณไม่ทําอะไรมันไม่เกิดหรอกศาสนาพูดนี่มันเป็นศาสนาของเหตุของผลถ้าคุณทำสิบบาทแล้วคุณจะให้พระให้พรว่าให้ให้ได้ผลร้อยบาทมันก็ไม่ได้อทำสิบบาทมันก็ได้สิบบาททำร้อยบาทมันก็ได้ร้อยบาทมันเป็นไปตามเหตุะ ปมลูกฟังทำถ่ายท่อสดเกือบทุกวันเข้าใจตามคำสอนแต่อดีตที่ทำให้ทุกบางครั้งมันแว บ, บเข้ามาในความคิดและยังทำให้ลูกเจ็บปวดอยู่ ท, ทั้งที่ลูกอภัยให้กับคนที่ทำให้ลูกทุกข์แล้วอันนี้ถือว่ากรรมของลูกยังไม่หมดหรือเปล่าคะความอยากยังไม่หมดเนี่ยคือความอยากอยากให้เขาดีกับเราเขาไม่ดีกับเราเราก็เลยทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาว่าเราไปอยากไม่ได้ เขาจะดีหรือไม่ดีกับเรานี้เป็นเรื่องของเขาขอให้เราดีกับเขาก็แล้วกันเราก็จะได้สงบเราจะได้ไม่ไปคิดร้ายกับเขาอคาถามจากคุณอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กวดน้ําแต่นึกถึงบุญอุดพิษในใจเขาจะได้รับไหมคะได้ไม่ต้องมีน้ําหรอกน้ําไม่จําเป็นทีนี้คนไม่มองไม่เห็นบุญเขาก็แล้วน้ำมาเป็นตัวแทนบุญ เวลาเราเทน้ำมันเราเทบุญลงไปสู่โลกทิพย์เนยโลกทิพย์ก็คือพวกที่ตายไปแล้วก็อยู่ในโลกทิพย์เขาไม่สามารถมาหาข้าวของกินได้อย่างพวกเราเขาก็เลยต้องอาศัยบุญที่เร า, าทานี้ส่งไปให้เขาเป็นอาหารของเขาอันนี้หมดแล้วค่ะอ่าหมดแล้วเดี๋ยวว่าเข้ามาอีก อ่ะาามาเรืยคําถามจากคุณประเสริฐหลังจากสวดมนต์แล้วเราควรแผ่เมตตาให้กับตัวเองไหม่ครับแผ่แล้วแม่มันจะแผ่อะไรการจะให้อะไรก็ต้องมีคนรับกรใจมยไหความเมตตานี้เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเช่นเวลาเรามาเจอกันตอนเนี้ยเราพบกันเรายิ้มให้กันนี่เราให้ความสุขกับกันแล้วใช่ไอมถ้าเราแยกเคี้ยวใสยกันนี่มันก็ ให้ความไม่สบายใจกับกันแลฉะนั้นเราต้องมีเหตุการณ์มีมีอะไรเราถึงแพร่กันตอนที่เราสวดมนต์ไหว้พระเราสวดนี้เป็นการฝึกเป็นการสอนวิธีแผ่วิธีแผ่มีกี่วิธีสับเปยสัตต า, าเวลาโหนตุแต่ว่าอย่าไปจองเวรกันเวลาใครเขาด่าเราก็ให้ยกมือสาธุสาธุไม่จองเวไม่ด่ากลับใ อ, อ, อันนี้เรียกว่า เอเวลาโหนตุอบัญาปัจฉาโหนตุแปลว่าอย่าเบียดเบียนกันอย่าทําร้ายกันอย่าทำรายกันสุอะไรอานิคาหโนตุอยากให้เขามีความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขยียาตานังปริหารันตุอยากให้เขามีความสุขรักษาเขาอยู่ตลอดเวลาอา น, นิคาโหนตุก็คือไม่ให้เขามีทุกข์กายทุกข์ใจปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขีอาตานังปริหารันตุอยากให้เขามีความสุขวิธีอยากให้คนหนึง่งเขามีความสุขทำยังไงปีใหม่เราทำยังไงเราก็ซื้อของ ข, องขวัญไปให้กันใช่ซื้อขนมเคก้กซื้อกระเช้าผ ล, ลไม้ข้าวของนี่อันนี้สุขีอาตานังปริหารันตุอันนี้คาโหงตุ ก, ก็คืออยาให้ขอให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้เขาปราศจากความทุกข์ทางกายทางใจ อัปยาปชาหุนตุก็คืออย่าเบียดเบียนอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปรักทรัพย์ของเขาอย่าไปยุ่งกับสามีภรรยาของเขาเรียกว่าอัปยาปชาหุนตุอเวลาหุนตุก็อย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไปตาต่อ ต, อตาฟันต่อฟันเขาทําอะไรมาก็อาเวลาให้อภัยอภัยทานเนี่ยนี่คือวิธีแผ่เมตาตาอ ใช่เนี่ยแหละเวลาสวดนี่สวดเพื่อให้เรารู้ว่าการแผ่เมตตานี่แผ่อย่างไรตอนนั้นไม่มีใครมาละไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องแผ่ใช่ไหมมันไม่มีเหมือนกับยังไม่ยังร่างกายยังแข็งแรงรอยู่ไม่เจ็บไายได้ป่วยไปกินยาทำไมกินยาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรเสียยาเปล่าๆกินตอนที่มันเป็นไม่สบายสิเวลาไม่สบายโปวดท้องก็กินยาแก้ปวดท้องปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวเวลาไป เจอกันแล้วเกิดไปทะเลาะวิวาทกันแล้วก็อหยุดซะอย่าไปทะเลาะยอมแพ้เขาอยากจะชนะไปเขาชนะไปอาจารย์แล้วบทแผ่เมตตาที่แผ่เมตตาให้กับตัวเองนี้บางทีทุกคนเขาใจผิดไม่ต้องแพ้หรอกแล้วต้องแพ้แล้วทุกคนก็อยากจะมีความสุขให้กับตัวเองอยู่แล้วทีนี้เขาไม่รู้จักวิธีแผ่เมตตาให้กับตัวเองแทนที่จะเมตตาตัวเองกับ ทำร้ายตัวเองเช่นไปกินเหล้าอย่างนี้ก็เป็นการทำร้ายตัวเองนะถ้าอยากจะแผ่เมตตาก็อย่าไปกินเหล้ า, อ, าอย่าไปทำร้ายตัวเองก็เรียกว่าแผ่เมตตาห า, า, าความสุขที่ถูกต้องก็คือการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนานี่แหละเป็นวิธีแผ่เมตตาให้กับตัวเร า, เาวิธีอื่นนี่เป็นการเป็นการแผความทุกข์ให้กับตัวเรา ายงคําถามจากคุณศรัทธานะครับน้องสาวผมไม่กล้านั่งสมาธิเพราะเคยนั่งแล้วปรากฏได้ยินเสียงผู้ชายน่ากลัวมาตะโกนภาษาที่ไม่รู้จักข้างข้างหูไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและจะแก้อย่างไรครับก็อย่าไปสนใจแล้วมันว่ามันมาจากที่ไหนพีจะแก้อย่างไรแก้ที่ตัวเราตัวเราอย่าไปยุกเราจัตัวเราเฉยๆไปก็แล้วกันมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกมันก็เป็นแค่เสียงนั่นเอง ไห้รู้เฉยๆเวลาถ้าไม่อยากจะรู้ก็ดึงใจมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปรับรู้เรื่องที่เขากำลังมาเนี่ยที่เรามันเกิดของเหล่านี้ขึ้นมาเพราะเรานั่งเฉยๆ น, น, น, นั่งแล้วก็คิดไปเองคิดไปเองจิตมันก็เลยผลิตไอ้ของแปลกๆนี้มาหลอกเราเองถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะผลิตอะไรออกมาได้เวลานั่งต้องมีอะไรกํากับใจไม่ใช่นั่งเฉยๆ นั่งแล้วต้องพุโทโธพุโทโธไม่หยุดหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาได้เดี๋ยวผีก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเปรตก็โผล่ขึ้นมาอะไรร้อยแปดมันเป็นเพียงแต่ความคิดปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นแหละมันโผล่ขึ้นมาเราก็คิดว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาให้เวลานั่งให้มีสติพุโทโธพุโทโธไปอย่าหยุดแล้วดูลมหายใจไปให้มีอะไรเกาะผูกใจเอาไว้แล้วใจก็จะได้ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับเรา คุณกิติยาถ้าวางแผนกับแฟนแล้วว่าจะไม่มีลูกเพราะจะศึกษาธรรมสังคมรอบข้างชอบถามว่าแล้วจะเลี้ยงดูตอนแก่ใครจะเลี้ยงดูลูกเลยสงสัยว่าถ้าเราป่วยแล้วใครจะเลี้ยงดูเราตอนป่วยเจคะก็อัปตาเหี่ยตอนโนนาถงไงก็ซื้อประกันไว้สิเก็บเงินไว้สิเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็สาวสิบาทก็รักษาทุกโกรคอยู่แล รักษาไม่ได้ก็ตายก็เท่านั้นเองมีใครไม่ตายบ้างอะ่ะไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนก็ตายมีคนล้อมรอบเปหมอเป็นชุดก็ตายเห็นไหมเห็นไหมในหลวงเนี่ยดูเลยมีคนดูแลรักษากี่ร้อยคนแล้วตายไหมก็ตายเหมือนกันน่ะนี่ไปกังวลทําไมยอมตายซะอย่างแล้วก็จบถ้ายังไม่ยอมตายมันก็วุ่นวายไปกับทุกเรื่องอะ่ะแต่เปนพระเขาเหม็นวุ่นวายกั็น่ะ เใช่ไหมตอนนี้เราก็ไม่รู้เวลาไม่สบายมือใครจะมาดูแลหรือเปล่าไม่ไม่เคยคิดไม่เคยกังวลคิดอยู่อย่างเดียวว่ามันก็แค่ตายเท่านั้นถ้าทุกข์ถ้าไม่สบายไม่มีใครดูแลก็นอนไปอย่างนี้ น, นอนไปจนกว่ามันจะหมดลมหายใจมันก็จบมีคนมาดูแลมันก็หมดลมอยู่ดีล้ยิ่งทรมานยาวขึ้นไปสิสู้อย่ามีคนดูแลมันจะดีกว่ามันจะได้ไปเร็วๆถ้าจะเลี้ยงคนดูแลได้ก็เอก แล้วเกิดก็ไม่ดูแลเราทีหลังะยังเสียใจใหญ่เจอลูกเในละคนก็โวยหวังจะพึ่งมันพอถึงเวลามันไม่พึ่งไม่ให้พึ่งเลยมีเยอะอยู่ค่ะอ่านั่นสิองคจธรรมทั้สองอัตตาเหตันโนานาโถอตอนเป็นที่พึ่งของตอนถ้าอยู่ไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ก็ตายสเสถิดเอปล่อยมันตายไม่ได้ให้ไปฆ่าตัวตายถ้าพึ่งไม่ได้มันก็ตายอยงถ้ากินไม่ได้มันก็ตายอ หายใจไม่ได้มันก็ตายไม่ต้องเอาเครื่องมาหายใจหายทําไมหายใจแบบนั้นก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรนอนกระเดากระเดาอย่างนั้นถ้ามันหายใจเองไม่ได้กินเองไม่ได้ก็ให้มันไปเถอดจะไปยุ่งกับมันทําไมแต่ท่านอย่างนี้ทื่ว่าป่วยเป็นโรคของโลกที่เป็นทอาเครื่องมาพากที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะมับง่านเลยสิมันก็อย่างนี้เขาอาจจะต้องมีผู้คอยดูแลไหมครับไม่มีก็อดตายไงก็คงบอกมันก็อดตายอยู่ดีมันก็ตายเหมือนกัน ใช่ไหมถ้าไม่มีคนมาเลี้ยงมันก็อดเนี่ยไม่มีใครมาทำมันให้เดี๋ยวมันก็ตายนี่ก็เป็นบุกรรมเนี่ยแล้วอยากจะอยู่แบบไปกนที่การไปเลยก็ปล่อยมันตายไปไม่ดีกว่าเลยมันยังไม่ตายค่ะตายซิมันเดี๋ยวไม่ยังอามือมาพากันมันไม่ตายครับก็ไม่กินไม่ไม่กินมันเดี๋ยวมันก็ตายอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครมาเลี้ยงอ่ะมันถ้ากี่วันเกัน เดือนหนึ่งก็ตายแล้วทําในกินข้าวไม่ได้กินน้าไม่ถึงไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำไปไม่มีใครเอาน้ามาให้เดือบ น, นี่สามวันก็ตายแล้วมั้งคนที่ส่วนใหญ่จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเหมือนเขาก็คือมีผลของที่เ้าเคยทำมาอดีตเกิดต้องเป็นแบบนี้ไหมครับก็มาเกิดไงเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเนะี่ยมันก็มีคือถึงบอกว่าอย่ามาเกิดไงถ้าอยากเกิดก็อย่าไปอยากตัดความอยากซิมันก็ไม่เกิด ไม่ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปแก้ี่ปลายเหตุไปแก้ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปหาคนนั้นคนนี้มาดูแลก็อย่ามาเกิดซนะก็หมดเรื่องการไม่เกิดก็อย่าไปอยากไปหยุดความอยากกันไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญากันเนี่ยที่สอนนี้ก็แก้ปัญหาได้หมดเลยใช่ไหมเมื่อไม่เกิดแล้วมันจะมีแก่เลยมันจะมีเจ็บมันจะไม่เอามาพกอามาพาเนี่ยนะครับจัสุา ย่งคนบางคนนะครับที่เขาไม่ได้อยู่หน้าตรงเนี้ครับอย่างเช่นคนคือเขามาเกิดแล้วแต่เขาก็เกิดในในฐานะที่เขาไม่ได้จะเอาโวยต่การปฏิบัติธรรมมากเช่นคนที่ทํางานโรงงานเขาม่ขายที่เขาอยู่ในตลาดหรือว่าเชาและเชนานที่เขาที่เขาไม่คือเกิดมาเขาก็ต้องทํามาหากินของเขาตามที่เขาเคยรู้มาเนี่ยเขาก็ต้องแก่เจ็บตายไปทำเรื่องของเขาสิใช่ไหมจะทำไงอ่ะไม่ทำบางคนที่เขาอยากจะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแต่เขาก็ มาไม่ได้หรือทำไมเขาไม่อยากมาก็มาไม่ได้คนอยากมาก็มาได้แต่บางครั้งอยากมาแต่ก็ไม่มีรถมาเนี่ยก็เดินเลยโผล่รถมาก็ได้เวลาไปเที่ยวเหมือนมมีปัญหาเลยใครอยากมาเดี๋ยวเราไปรับเวลาไปเที่ยวเหมือนมีปัญหาเลยไปได้ทุกแ่งทุกคนแต่ย่างคนที่ผมเคยเห็นเขาคือเขาเขาไม่มีคือเขาแทบจะไม่มีคนทางได้มาจริงเหรอครับก็เรื่องของเขาเลยทําไม ทาเพื่อเขาครับอกก็เดี๋ยวนี้ก็มีถ่ายทอดสดฟังที่บ้านก็ได้นังสือธรรมะก็ไปฝากก็ได้ก็คือช่วยปฏิบัติที่บ้านก็ได้ก็คือก็แต่ละคนก็แล้วแต่โอกาสที่เขาจะได้ได้รับรู้ถูกมครัก็โอกาสหนึ่งแล้วสองไม่มีโอกาสแล้วจะเฉวยโอกาสนั้นหรือเปล่าบางทีมีโอกาสก็โยนทิ้งไปได้นังสือธรรมะก็ไม่อ่านเี่ก็ช่วยไม่ได้ถ้ามีหนังสือธรรมะอ่าน แล้วปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้เราก็เริ่มต้นจากหนังสือเล่มเดียวเได้หนังสือธรรมะมาเราก็อ่านอ่านแล้วเราก็สนใจเอดีเว้ยเลยเขียนไปขอมาอีกพอเขียนมาได้หนังสือเยอะขึ้นก็ได้ความรู้วิธีปฏิบัติเพิ่มขึ้นท้าที่สุดก็ปฏิบัติเองได้ปฏิบัติเองได้ก็อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้มันอยู่ที่ความขวนขวายคนเราถ้าต้องการอะไรจริงๆมันไม่มันไม่สดวิสัยเรา คนเราบางคนมันคิดไม่เป็นจะคอยพึ่งคนอื่นอย่างเดียวนี้ก็ช่วยไม่ได้ต้องรู้จักขนขวายฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษ า, ามีความเพียรไม่เกียดข้านามีความอดทนมันถึงจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ถ้าอยากจะให้ทุกอย่างรอยมา เหมือนกับร้านอาหารไปนั่งแล้วเดี๋ยวคนก็เอาอาหารมาเสิร์ฟนี่ก็มันก็ไม่มีวันของพวกนี้มันไม่มาเอง <c oughs> ว่าไงมีอีกไหมนี <c oughs> ม่ค่ะว่ามาคำถามจากคุณจุมพศทำบุญชำระนี้สงสังฆทานกับพระพุทธรูปขอบอกเป็นบุญใหญ่บุญเยอะจริงไหมครับมันก็เหมือนกันอะเยอะใหญ่จะเยอะหรือไม่เยอะอยู่ที่เงินเราทำนั่นแหละ ทำสิบบาทมันก็ได้แค่สิ บ, บาททํากับพระพุทธทํากับพระสงฆ์ทํากับพระอะไรมันก็แค่สิบบาทถ้าอยากจะเยอะก็ร้อยบาทมันก็เยอะกว่าสิ บ, บาทอยู่ที่ปริมาณเป็นหลัก อ, อันนี้คือบุญที่เกิดจากการให้นะแต่บุญที่เราจะได้แถมมานี่มันก็ขึ้นอยู่กับคนรับถ้าเราไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทําฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ซึ่งมีธรรมมากกว่าคนอื่นถ้าไปฟังทำกับใครทําบุญกับพระธรรมดาเขาก็ไม่มีธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สามารถให้ธรรมะแบบพระพุทธเจ้าให้เราได้มันก็ต่างกันตรงนั้นอันนี้เป็นของแถมของที่เราได้เพิ่มเหมือนกับเราไปเติมนะ้ํามันรถตามปัม๊มเน่ยปั๊มเดี๋ยวนี้ก็มีของแถมใช่ไบางทีก็มีน้ำเดือดเนี่ยบางทีก็มีผ้าเช็ดหน้าก็อยู่ที่เราเราอยากจะได้เราก็เลือกปัม๊มหน่อยใช่ไหม แต่ถ้าเติมน้ํามันห้าบาทมันก็ได้น้ำมันห้าสิบบาทเหมือนกันใช่ไหมแต่ของแถมนี่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันทําบุญกับใครก็เหมือนกับเติมน้ํามันที่ปั๊มทําบุญสิบาทมันก็ได้น้ํามันสิบาทเหมือนกันแต่ที่ปั๊มก็มีของแจกให้เราไปทําบุญกับพระบางรูปก็มีตะขุดแจกบางคนก็มีวัตถุมงคลที่นี่ก็มีธรรมะแจกใช่ไหมมีหนังสือธรรมะแจกก็เหมือนกันที่นี่ก็เป็นปั๊มเหมือนกันทํา ท ำ, ทำทำเท่าไหร่แม้ก็ได้ตามที่เราทําห่ะเติมน้ามันสิบบาทก็ได้สิบบาทเติมน้ามันร้อยบาทก็ได้น้ามันร้อยบาทแต่ของแจกนี้ได้เท่ากันไม่เลือกไม่ห้ามก็อยากจะได้อะไรเอาไปเติมน้ามันสิบบาทก็ได้หนังสือชุดหนึ่งเติมน้ามันร้อยบาทก็ได้หนังสือชุดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยต่างกันตรงนั้นเวลาที่เราทากับคนต่างๆนี่เขามีของให้กับเราเป็นของขวัญเป็นของ เป็นของตอบแทนน้าใจพวงนี้ดีกว่าอันนี้ต่างกันไปทําบุญที่โรงพยาบาลก็ได้เรื่องหมอให้หมอก็เล่าเรื่องโรคภัยแค่เจ็บให้ฟังไปทําที่โรงเรียนเขาก็เล่าเรื่องวิชาการต่างๆให้ฟังไปทําที่ปอเทคตึงก็เล่าเรื่องวิธีไปเก็บสบให้เราฟังโรงชนิดต่างๆสมัยนี่มีโรงแบบไหนบ้างโร ง, โรงเย็นโรงร้อนเนี่ยมีก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ต่างกัน นั้นถ้าเราอยากจะได้้รแเราก็ต้องเลือกคนที่เราเราต้องการสิ่งที่เราจะได้จากเขาถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเขาก็บอกให้ไปทากับพระเจ้าเนี่ยได้มากที่สุดพระเจ้าเป็นเหมือนด็อกเตอร์ปริญญาเอกถ้าไปทำกับพระอาจารานก็ไปทำกับพวกปริญญาโทอย่างเงี้ยถ้าไปทำกับพระาต่ำลงมาก็ระดับปริญญาตรีระดับมัธยมมันก็ต่ำลงมาเรื่อยๆตามความรู้ของเขา เขาก็จะสอนได้ตามความรู้ของเขาบอกเราได้ตามที่เขารู้เท่านั้นเองอย่างถ้าอยากทาบุญแล้วอยากจะได้ธรรมะเยอะๆก็ต้องไปทำกับพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำกับพระอรหันต์ถ้าไม่มีพระอรหันต์ก็ทำกับพะ ร, ร, พ ะ, อ ร, รบพะอนาคามีไล่ลงมาเรื่อยๆอยันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเพื่อเลือกทำบุญแล้วต้องเลือกคนทำเพราะเราต้องการสิ่งที่ต้องเอาเฉพาะ เอากับคนนั้นเท่านั้นถึงจะได้ถ้าไม่เลือกก็ไม่ได้แต่ถ้าไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วไม่ฟังธรรมก็ทํากับใครก็เหมือนกันเหมือนกับไปเติมน้ํามันแล้วก็ไม่รับของของแจกแล้น้ํามันแล้วก็ไปเลยออันนี้ก็เหมือนกันต่อให้ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ได้ทำอะถ้าไม่รอฟังธรรมถ้าไม่ถามธรรมอะคํถาถามจากคุณปัทมาพร ตาตัวเองคือให้เห็นถึงความเป็นจริงให้เห็นถึงทุกข์และรู้จักปล่อยให้เห็นถึงการเกิดดับใช่ไ้มเจ้าคะก็คืออย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเมตตาตัวเองใช่ไหมก็อย่าไปทำสิ่งที่จะทาให้เราทุกข์กันสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ก็คือทำตามกิเลสตัณหาให้ทาตามทำทตามท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำแล้วจะทให้เราสุขกันคาถามจากคุณเลส ตอนทําสมถธิมีความรู้สึกว่าหัวพองโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนจาะขับห้องเลยตกใจลืมตาขึ้นอยากเรียนถามว่าเมื่อเกิดอาการดังกล่าวต้องทําอย่างไรครับไม่ต้องไปนสนใจมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่หลอกเราเร่างกายเรา ม, มันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนหรอกอย่างนี้ก็ดีสิถ้าอยากจะอ้วนก็นั่งสมาธิไปเดี๋ยวมันก็พองขึ้นมาหรือบางคนนี่ก็าหดนั่งแล้วก็ผอมี เราไม่ต้องไปไปอดอาหารไม่ต้องไปทรมานตัวเองมันไม่มีมันเป็นความรู้สึกแล้วมันมักจะเกิดตอนที่เราเผลอเราไม่อยู่กับพุโทโธกัน<ม>พอเราไม่อยู่กับพุโทโธเดี๋ยมันก็เริ่มรู้สึกเกิดอาการแล้วก็ไปสนใจอาการนั้นแทนที่อยู่กับพุโทโธต่อไปก็มาดูอาการพอยิ่งดูมันก็ยิ่งพองใหญ่ยิ่งเป็นขึ้นไปใหญ่เะฉนั้นอย่าไปสนใจอาการต่างๆเวลามันเกิดขึ้นให้กลับมาที่พุโทโธ กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปคาถามจากคุณเจ์ลูกขอกราบเรียนถามก่อนที่ลูกจะเข้านอนลูกบริกรรมพุโทโธทุกครั้งที่บริกรรมชอบฝันส่วนใหญ่จะเห็นฝันตัวเองเดินอยู่ในทุ่งกว้างๆไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจรึงขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ด้วยค่ะไม่ต้องไปรู้ว่ามันเกิดจากอะไรหรอกให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปก็พอไม่ต้องไปยุ่งกับมัน อย่าไปอยากให้มันอยู่อย่าไปอยากให้มันไปมันมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปเราไม่มีหน้าที่รื่ต้องไปสนใจว่ามันมาจากที่ไหนไม่ต้องไปยุ่งกับมันทำใจเราให้เฉยๆอย่างเดียวพอทำใจเหมือนกับตอนที่มันไม่เกิดคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพยายามปฏิบัติให้ใจถึงพึ่งตนเองได้เพราะไม่รู้เพราะไม่มีลูกหลาน เข้าใจว่าถ้าใจพึ่งตนเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดใจจะปล่อยวางได้แม้จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใจก็จะยังสุขอยู่ทุกข์กเข้าถึงได้แค่กายเข้าใจถูกไหมคะถูกแล้วเนี่ยให้มาปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขใจแล้วความสุขใจนี้จะจะเหนือความทุกข์ของทางร่างกายร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมาเพลกระมา พ, มาพาจะอดตายก็ไม่เดือดร้อน ถามจากคุณวัดทำไมต้องมีการถวายปัจจัยที่เป็นเงินให้พระด้วยครับในเมื่อพระไม่ต้องใช้เงินครับใช่แต่วัดต้องใช้เงินคน่าใช้ใจ่ายต่างๆก็มีอยู่กุตตกกุติบางทีไม่มีคนมาซ่อมให้ก็ต้องซ่อมกันเองจะไปขอขก็ไม่ได้พระไม่ให้ขอว่าอางน้นอกจากคนที่เขาเสนอตัวว่าถ้าท่านต้องการอะไรขาดแคลนอะไรก็บอกก็บอกเขาได้ แต่ถ้าก็ไม่เสนอตัวมาไปบอกเขาไม่ได้ก็ต้องอยู่ไปตามมีตามเกิดคือง น, นนี้เขาไม่ให้พระมีไว้สำหรับไปเที่ยวไปซื้อของต่างๆที่ไม่ควรจะซื้อให้เอาไว้ใช้กับการบารุงทานุบํารุงพระพุทธศาสนาทาบุญกับทานุ บ, บารุงกับพระสง์องค์เจ้าบางทีบางวัดมันขาดแคลนยาบ้างอะไรบ้าง เดินทางพานะไม่มีตัวใบรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้มันก็ต้องมีเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆก็ต้องใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆมาเอแต่ไม่ให้ไปซื้อไอโฟนนู่นใหม่ <c oughs> ไม่ให้ไปเที่ยวขึ้นเครื่องไปนูน่นขึ้นเครื่องมานี่กันเข้าใจ ไ, ไหมเอาไว้ใช้กับของอ <c oughs> จําเป็นออนะครับแต่สุดท้ายจริงก็ต้องใช้เงินถุง น้อยมากอ่ะส่วนใหญ่ทําถ้าพระเองไม่ได้ใช้หรอกเพื่อนอาจาบอกว่าเป็นโยมก็ไม่ต้องไปทุกงเงินครัเพื่นสุดท้ายอย่างเงี้ยครับจะไปไหนมันก็ต้องใช้เงินนะก<ป>็ไปบวชไงไม่ต้องใช้เงินไ <c oughs> งครับ <c oughs> แต่ถ้าระหว่างอยู่ประกอบสมาธิก็ใช้น้อยๆไงใช้เท่า<ร>ที่<ร>จําเป็นไงใช้เฉพาะปัจจัยสี่อย่าไปใช้ซื้อของฟุ่งเฟือยอย่าไปซื้อความสุขไปเที่ยวบาร์ไงไงขับไปแหล่งบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ย ไม่ใช้เงินแบบนั้นที่บางคนเขากลัวว่าอย่างที่คําถามข้อก่อนนะครับที่ถามว่าถ้าไม่มีลูกหรือว่าไม่มีเงินทองไปเลยแล้วพอถึงจุดหนึ่งจะจะอยู่ยังไงอย่างเงครับก็ตายไงจะอยู่ยังไงก็ตายสิอยู่ไม่ได้ก็ตายแล้วมันไม่ตายมีเงินทองมันไม่ตายเนี่ยแต่ยังไงตอนเม่อกี้อาจารย์อธิบายว่าถึงเวลาก็ต้องมีเงินทองข้ามภาชนะไปหาหมออะไรอย่างเงี้ย ก็มีก็ดีไงบอกไม่มีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้ไปขอก็มาถามว่าทาไมต้องมีเงินถ้าไม่มีไม่ต้องมีนิยมโยมอยากจะทำบุญน่ะอยากโยมก็อยากจะได้บุญน่ะก็มาถ้าไม่ใช้ก็ไปทำบุญต่อไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ไหนเขาขาดแคนก็ไปช่วยเหลือเขาต่อแต่ถ้าที่นี่ขาดแคนก็ก็จ้องช่วยเหลือที่นี่ก่อน พอที่นี่พอเพียงแล้วมีส่วนเหมือนเติมน้ำเนี่ยพอมันเต็มเต็มเต็มถังแล้วจะเติมต่อไปมันก็ล้นทิ้งเปล่าๆเงี้ยก้านน้ำที่จะไปเติมนี้ไปให้ถังอื่นต่อถังไหนที่มันไม่เต็มแล้วก็ไปเติมถังที่มันโล่งถังที่มันว่างก็เป็นการไปช่วยเหลือกันไงว่ามาคําถามจากคุณซาต้าทําอย่างไรเราจะปล่อยวางการยึดถือคนสั์สิ่งของที่เป็นที่รักว่าเป็นของเราได้ครับ ว่าเขาต้องตายจากเราไปสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันให้คิดถึงความตายหรือเรือ่อยแล้วเราก็จะปล่อยวางได้หมดแล้วเลยนี่ค่ะอ่าเอาเข้ามาสักสองสา ม, มาคำถามก็แล้วกันคำถามจากคุณอยู่ที่ไหนถ้าคนในบ้านพ่อแม่พี่น้องไม่ค่อยถูกกันขัดกันคาลักกันบ่อยเกิดจากอะไรคะจะแก้อย่างไรดีคะ ก็จากการที่มีความเห็นไม่ตรงกัน่ยคนหนึ่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวคนอยากจะกินข้าวต้มมันก็ทะเลาะกันนะเะนั้นก็ว่าวิธีอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขก็คือให้สมนุนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนสิ่งไหนที่ไม่เห็นตรงกันก็อย่ามาคุยกันอย่ามาพูดกันเอาพูดแต่เรื่องที่มันเห็นตรงกันทำเรื่องที่ทำด้วยกันได้เรื่องที่ทาด้วยกันไม่ได้ก็อย่าเอามาทาเดี๋ยวมันจะขัดกัน จังหวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนก็อยงนหละคำถามสุดท้ายจากคำถามจากคุณวัดเรื่องเครื่องรางของขั ง, งมีจริงหรือเปล่าครับแล้วการถือเลิกมันมีจริงหรือเปล่าครับมันมีแต่มันไม่จริงค่ะเนะมีคนถือกันแต่มันไม่จริงมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดกันบางคนคิดว่ามีเครื่องรางของขั ง, งเราจะปลอดภัยล้วตายไหมเาตาย มันไม่มีหรอกของพวกนี้มันมันมันมันทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็ไม่มีใครตายสิเอาดินมาปั้นขึ้นมาแล้วก็บอกเป็นเครื่องของขังไอแล้วก็ค้อยคอไวแล้วมันก็ตายไหมั้นของพวกนี้มันไม่มีอนุภาพอะไรไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ความเชื่อเพราะคนเรามันไม่รู้จาที่พึ่งที่ไหนมันก็เลยต้อง หาอะไรมาเป็นที่พึ่งถ้ามีคนเขามาหลอกยืนยันว่าดีอย่างนั้นดี น, น, ดนี่ก็เชื่อไปกันทนั้นเองแต่ถ้าไปเจอคนที่เขารู้เขาก็บอกมันไม่มีหรอกของที่จะทำให้เราเป็นของขังจริงๆเครื่องรางของขังจริงๆก็คือพุทธโทรธธรรมโมสังโคนี่แหละแต่ไม่ใช่พุทธรูปนะไม่ใช่หนังสือธรรมะไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้ามันต้องธรรมะที่มีอยู่ในใจเราเนี่ย มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงเป็นเครื่องรางของขังได้อย่างแท้จริงปกป้องจิตใจเราให้แคล้วคลาจากปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายได้หมดหมดแล้วนะมีข้อนนะอ่าข้อสุดท้ายคำถามจากคุณกันนิกา ขอเมตตาเจ้าค่ะย้ายพี่ทำงานใหม่อยากขอธรรมะในการอยู่ร่วมกับการทำงานและดำรงชีวิตค่ะก็ให้มีเมตตาพร ม, มิหารสี่ให้มีความเมตตาต่อกันให้มีความการุณาช่วยเหลือกันให้มีมุติตาจิตให้ยินดีกับความเจริญของผู้อื่นเวลาเพื่อนเขาได้ขึ้นเงินเดือนก็อย่าไปช้าเขาให้แสดงความยินดีกับเขาแล้วก็ให้มีอบเบขาถ้าเรา